มีอะไรอยากจะถามอยากจะรู้ไหมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่จะป้อนให้ธรรมะตามสั่งหรือว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนรานอาหารตามสั่งก็อยากจะต้องธรรมะชนิดไหนก็ถามได้สั่งได้นี่มาจากราชบุรีมาไก่ อันนี้มาจากที่ไหนชนบุรี <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีอะไรอยากจะถามไหมตอนนี้ติดลาคอขอโทษนะาค่ะห้าห้าศูนยห้าพันปีพพุทธเจ้าเร า, าจะผ่านห้าอีกครั้งหน่ใช่ไหมคะ <c oughs> อะไร <c oughs> นะหมายถึงว่าถ้าพระพุทธการเนี่ย พคถึง 5,000 ปีณปัจจุบันพระพุทธเจ้าเราท่านนิพพานอาท่านกัสโลว์ไปแล้วแล้วก็ท่านนิพพานไปแล้วครั้งหนึ่งถ้ามาถึงจะโค้ด 5,000 ปีเนี่ยเพราะพระเจ้าองค์เราหรือเพราพระพุทธเจ้ า, าจะมีการนิพพานถ้าท่านอีกครั้งหนึ่งใช่นที่ใต้ต้นโพธิ์อ๋อไม่ไม่ใช่ท่านไม่กลับมาแล้วท่านตายร่างกายของท่าน กลายเป็นพระธาตุไปแล้วพระธาตุทุกที่จะมารวมกันแล้วเป็นพระองค์พระองค์จะอ๋อไม่หรอกจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือว่าห้าพันปีแล้วแสดงว่าพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะเรียนที่จะปฏิบัติกันเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครเข้าใจก็เหมือนกับว่าสูญหายไปบทสัพ บมดไปไม่มีไม่มีพุทธศาสนามีก็แบบเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนไหว้ เ, หเจ้าไหว้ผีไปเห็นเจดีเห็นโบสถ์เห็นพระพุทธรูปก็กราบกันไปแต่ไม่ได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครบรรลุทธรรมต่อไปจะไม่มีผ่านได้ครั้งจะมีก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาแต่คนแต่คนไม่ทราบ เป็นพวกเทพหือเทวดาที่ที่เขาลงมาฟังได้แต่ตามมนุษย์อย่างเราเป็นไปไม่ได้ไม่หรอกคือเทวดาเขาก็อยู่ของเทวดาเขาเขาก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เขาถึงจะฟังธรรมได้ก็เหมือนกับว่าบทยุคบทสมัยเหมือนเมื่อก่อนเราใช้ เทปแคดเสร็จกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วใช่ไหมพอมันหมดยุคหมดสมัยแล้วไม่มีใครใช้ไม่มีใครผลิตมันก็เลยหมดไปต่อไปแผ่นซีดีก็คงจะหมดอะเพรเดี๋ยวนี้รู้สึกไม่ค่อยคนมีคนจะหยิบไปเท่าไหร่นะเพรเดี๋ยวนี้เขายุคมือถือแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อมือถือเข้าทางเน็ตกันใครอยากจะฟังอยากจะดูอะไรก็เข้าทางเน็ตไปมันก็หมดยุคไปสมัยแรกๆ ยุคแผ่นเสียงเคยเห็นไหมแผ่นเสียงแผ่น<ม>แล้วก็มีเข็มตั้งแล้วก็มันก็จะหมุนแล้วก็มีเสียงมันก็หมดยุคไปละเพราะไม่มีใครใช้ไม่มีใครสนใจมีสิ่งที่มันมาดีกว่ามันก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะไปใช้มันพอไม่มีคนซื้อคนขายเขาก็ไม่ผลิตออกมาจากแผ่นเสียงก็มาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเทป เป็นเทปเป็นม้วนตอนต้นเป็นม้วนใหญ่ๆแล้วต่อมาก็ามาใส่กล่องเป็นแคสเซ็ตแล้วตานี้เขาก็ใสิแผ่นซีดีออกมาพอซีดีออกมาต่อมาก็มีแผ่นดีวีดีแล้วก็มีแผ่นบูเรอะไรก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม <c oughs> ตามการพัฒนาส่วนทางาศาสนานี้มันไม่ได้พัฒนามันมีแต่จะเสื่อมเพราะว่า คนเข้าหาศาสนายากเพราะมันเป็นของที่คนไม่ชอบกันคนส่วนใหญ่ชอบอไปในทางอีกทางหนึ่งทางที่ไม่มีศาสนาดูประเทศตอนตะันตกนี้เดี น, นี้เขาจะต่อต้านหรือว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าหาศาสนากันเพราะเขาถือว่าเขามีวิทยาศาสตร์เขาถือว่าวิทยาศาสตร์นี้ดีกว่าศาสนาเพราะวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ก็มี <c oughs> ทำอะไรทำประโยชน์ให้กับเขาได้สามารถให้เขาอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ทางร่างกายเดี๋ยวนี้จะบินไปไหนก็บินได้จะนั่งรถจะขับรถไปไหนก็ได้จะลงเรือจะทำอะไรเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์มาแทนศาสนาสมัยโบราณไม่มีวิทยาศาสตร์คนก็เลยต้องอาศาัยศาสนา เป็นที่พึ่งต่อมาพอมีวิทยาศาสตร์เขาก็เลยไม่ต้องอาศัยศาสนาราะประกอนเขาเวลาไม่สบายใจเขาก็เข้าหาศาสนาศาสนาก็จะสอนเขาว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของกรรมให้เราทำใจยอมรับเราก็เลยสบายใจมีคำตอบ สงสัยอะไรก็ศาสนาให้คำตอบได้แต่คำตอบบางคถามบางอย่างก็ตอบไม่ได้เช่นว่าตายไปแล้วไปไหนไปนรกไปสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ไหนนรกไปที่ไหนอันนี้เป็นคำตอบที่ตอบยากมีคำตอบแต่ผู้ที่จะอยากจะเห็นคำตอบนี้จะต้องมีการศึกษาและมีการกระทามีกา ร, กรปฏิบัติที่ยาก เชนให้ไปนั่งสมาธินี่มันยากคนก็เลยไม่เชื่อว่าตายไปแล้วมีนรกมีสวรรค์เขาก็เลยเชื่อวิทยาศาสตร์ดีกว่าวิทยาศาสตร์ว่าชีวิตนี้ก็มีแค่นี้ตายแล้วก็จบร่างกายตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่าเอาไปฝังก็ก็กลายเป็นดินไปยังนี้นขณนะที่มีชีวิตอยู่หาความสุขให้เต็มที่ อยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นก็เอาให้เต็มที่แล้วตอนนี้มีวิธีอาสา์มาเป็นผู้สนับสนุนในการหาความสุขทางร่างกายกันอันนี้เลยมีผลิตสินค้าผลิตอะไรต่างๆออกมาให้เราหาความสุขกันเราก็เลยไม่เห็นมีความจาเป็นที่จะต้องไปหาห า, าศาสนาเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มจัดงานเลี้ยงกัน ซื้อของกันซื้อของอยากได้ความไม่สบายใจก็หายไปเชื่อข่าวเขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยคนเข้าวัดน้อยลงไปเรื่อยๆคนบวชก็บวชน้อยลงไปเรื่อยๆสมัยก่อนนี่คนคนไทยอายุ2ี่สิบผู้ชายนี่จะบวชกันทุกคนแล้วก็บวชนานบวชที่สมเดือนอย่างน้อยหนึ 1, ่งพันษา แล้วไม่ไมเช่นนั้นก็อาจจะบวชยาวเลยก็ได้แต่ยุคปัจจุบันนี้คนจะบวชน้อยลงเพราะว่ามีงานทำมีรายได้เอาเงินไปเที่ยวดีกว่าถ้าจะบวชก็บวช ด, ด้วยความจำใจอยายังเชื่อธรรมเนียมว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่บวชให้พ่อแม่ไปสวรรค์แต่ก็บวชได้ไม่นานบวชได้แค่สิบห้าวันเมื่อ เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีคนมาติดต่อขอบวชแล้วพอติดต่อได้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปทาไบลาขอบวชทีนี้บริษัทเป็นของฝรั่งฝรั่งเขาบอกไม่ให้ลาไม่ให้มาบวชเขาก็มาบวชไม่ได้ต่อไปคนจะเข้าวัดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติก็จะไม่เห็นคุณค่าของศาสนา ว่ามีคนมีประโยชน์กว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจของเราได้อย่างแท้จริงดับได้ก็เพียงชั่วเดียวชั่วคราวเจนไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันพอกลับมาบ้านเดี๋ยวความไม่สบายใจก็กลับมาใหม่เลยไม่มีใครรู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนา คนถ้าไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจะไม่ได้เห็นผลที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยก็จะจะไม่เห็นคุณค่าของาศาสนาเราไปเห็นเห็นเพลิกแต่ว่าไปนั่งสวดกันไปนั่งเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรจะได้อะไรใช่ไหมเงินก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยว นั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วจะได้อะไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเวลานั่งสมาธิแล้วใจสงบนี้มีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมีความสุขได้มากกว่าความสุขที่ได้จากการได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านอันนี้ก็มองไม่เห็น เขาก็เลยจะอยู่ห่างไกลวัดอยู่ห่างไกลาศาสนาไปเรื่อยๆลูกหลานออกมาก็ไม่สอนไม่พาไปวัดให้ไปแต่เรียนหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางโลกให้ไปเรียนปริญญาตรีโทเอกกัน<ๆ>ก็เลยต่อไปวัดก็จะหมดความความสำคัญลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเหลือไว้สําหรับคนที่เ <c oughs> ชื่อแบบงมงาย เมื่อทางวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ก็เชื่อแบบงมงายไปกราบพระเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บหมอรักษาไม่ได้ก็ที่พึ่งสุดท้ายก็ไปวัดไปกราบพระจุดธูปเทียนสามดอกขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บบางคนโชคดีอยู่ดีๆมันจะหายมันก็หายก็เลยเชื่อว่าไปกราบพระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ช่วยให้ตนแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่คนที่ไม่หายตายไปก็ไม่ได้มาประกาศบอกคนอื่นว่าว่ า, วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเขาขอแล้วแต่เขาไม่ได้เขาเขอต้องตายไปนั้นต่อไปคนก็จะเชื่อาศาสนาเป็นเป็นแบบเชื่อแบบงมงายไปเชื่อแบบแบบไม่มีเหตุไม่มีผลอยากจะได้อะไรเมื่อหาเองไม่ได้ก็ไปขอาศาสนากันขอพระพระพุทธรูปเนี่ยเห็นไหม วัดที่มีพระพุทธรูปดังๆนี่คนไปกราบกันเยอะไปขอนู่นขอนี่หางานไม่ได้ก็ไปขอ พ, าาพระหาภรรยาหาสามีไม่ได้ก็ไปขอ พ, พระมีภรรยามีมีสามีแล้วไม่มีลูกก็ไปขอพระไม่สบายก็ไปขอพระต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็เริ่มเป็นแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราที่เป็นเมืองพุทธแท้ๆเนี่ยที่กลายเป็นพวก ส่วนที่เป็นงงงายก็มีมากแล้วอย่างนี้ไปวัดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าไปไปไปไปเพื่ออะไรจริงๆคิดว่าไปวัดก็เพื่อไปขอพรไปขออะไรที่ตนเองอยากได้เมื่อไม่สามารถหาได้ด้วยตนเองก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะได้อะไรก็ไปขอต่อไปก็ไม่มีใครรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนอะไรเพราะคนนอบวชก็ไม่มีไม่มาบวชก็ไม่มาเรียน เมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่รู้จะอะไรไปสอนใครต่อไปก็จะสอนแบบงงง่ายกันก็จะสอนให้ไปกราบพระไปจุดทูบเทียนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาพระพุทธรูปมาขายมาแจกกันเอาไปมีพระพุทธรูปไว้ห่อยคอบ้างเอาไว้ติดในบ้านบ้างคุ้มครองปกป้องรักษาป้องกันภัยต่างๆขโมยไม่ขึ้นบ้านไฟไม่บ้า ไฟไม่ไม่บ้านถ้ามีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านก็จะเชื่อกันแบบนั้นไปแล้วนี้ต่อไปมันก็จะก็ถือว่าศาสนาหมดเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงมันอยู่ที่คำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามคำสอนจะทำให้เราพ้นทุกข์กันจะทำให้เราไม่มีความทุกข์จะทาให้พวกเราไม่มาเกิดแก่เจ็บตายกันอันนี้ก็จะไม่เกิดต่อไป ก็ถือ <Cornell> ว <K Douglas> ่าเนี่ยผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วครึ่งครึ่งทางนะคนที่เข้าหาศาสนาอย่างถูกต้องก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆคนที่เข้าหาแก่นศาสนาคือเข้าหาคำสอนเพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้บำบัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจยุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะน้อยลงไปแม้คนที่มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อศึกษามาปฏิบัติกันส่วนหนึ่งก็มาทําเป็นอาชีพไปอาชีพสวดสวดศพสวดงานศพสวดงานวันเกิดสวดวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีสวดสองสวดข้ามปีกันก็จะกลายเป็นอาชีพไปเพราะสวดแล้วก็ญาติโยมก็มีทําบุญถวายเงินถวายทองกัน แต่ไม่มีสอนอย่างนไหมพระพวกนี้เขาจะไม่สอนธรรมะเขาก็จะให้สวดหรือถ้ามาถวายสังฆทานก็สวดวันเกิดถ้าไม่นิมนต์ไปบ้านก็มาวัดมาทำบุญพระก็สวดให้พรไปนี่ก็ไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติถามธรรมะท่านก็ไปรู้เรื่องพอท่านก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติพอมาบวชใส่ก็มาหาสวด พอสวดก็ไปรับกิจได้เลยไปทําไปทํางานได้เลย mm hmm. พอเดี๋ยวนี้คนตายมากพระมีสวดน้อยศาลามีหลายหลังเนี่ยบางทีบางวัดเนี่ยพระนี่ต้องวันไม่ต้องทำอะไรไปสวดสอบตามศาลาต่างๆก็เลยกลายเป็นเรื่องของการสวดไปการมาบวชก็เพื่อมาสวดสวดแล้วก็จะได้มีรายได้ mm hmm. รายได้จะเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่ท่านบางองค์ท่านก็อาจจะมีเจตนาดีเอาไปทําบุญต่อเอาไปทําบุญทําสร้างโรงยาาาบลสรร้งงโรงเรียนหรืออะไรก็ว่าไปมันก็ยังไม่ถูกอยู่ดีบางท่านเร็วกว่า น, นั้นหน่อยก็เอาไปซื้อของไม่ดีมาซื้อยาซื้อยาเสพติดซื้ออะไรซื้อสุรายาเมาซื้อบุหรี่อะไรต่างๆกัน ซื้อของเล่นซื้อกล้องซื้ออะไรอันนี้ก็เหมือนก็เป็นเรื่องของที่เขาไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของพระเป็นยังไงเขาคิดว่าเนี่ยเป็นพราะมาก็เพื่อมาบวชมาม า, ม า, ม, ามาหัดสวดสวดแล้วมีไรายได้ก็จะเอาไปทําอะไรก็ได้เอ <Yeah. S 1> เขาก็เอาไปใช้ตามที่เขาต้องการกัน mm. อย่างที่เห็นกันเนี่ยเดีย๋ยวนี้มีพระไปชอปปิ้งตามศูนย์การค้ากันทั่วไปหมดใช่ไหม ก็ไม่มีใครสั่งใครสอนแล้วท่านก็ไม่เรียนไม่เรียนว่าพระมาบวชเพื่ออะไรไม่เรียนมาศึกษาว่ามาเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พระมาทําอะไรสอนให้พระมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบสอนให้พระใช้เรียนให้เกิดปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์และอะไร เป็นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปก็ให้สร้างเหตุที่ทำให้ความทุกข์ดับไปก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธกาิการละเว้นการกระทำต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากอะไรต่างๆเหล่านีน้ถ้าท่านทำได้ท่านหยุดความอยากต่างๆได้ใจของท่านก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วท่านก็จะอยู่อย่างอย่างสงบอย่างเรียบง่ายท่านจะอยู่แบบไม่เหมือนกับญาติโยมท่านไม่จะไม่ต้องไปเที่ยวไปชอปปิง้งไม่ต้องไปมีเงินมีทองท่านก็จะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราต่อไปให้พวกเรามามาอยู่แบบพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะว่ามันไม่ทุกข์ถ้าไม่ต้องใช้เงินมันก็ไม่ต้องหาเงินหาเงินมันทุกข์ไห แต่ละวันเนี่ยก่อนจะได้เงินมาแทบเป็นแทบตายได้มาปั๊บเดี๋ยวก็ไปใช้หมดแล้วพอหมดแล้วก็ต้องหาใหม่หาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะความอยากใช้เงินมันไม่หมดถ้าเราหยุดความอยากใช้เงินได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินวิธีหยุดใช้เงินได้ก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้เพราะถ้านั่งสมาธิได้แล้วมันใจมันจะสุขมันไม่ต้องใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆ เหมือนอย่างที่เรากําลังใช้กันอยู่เนี่เราใช้เงินเพื่ออะไรเพื่อซื้อความสุขใช่ไหมพอซื้ออะไรได้อะไรมาแล้วสุขมไหมสุขใช่ไหมแต่สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันหมดแล้ะหมดแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่คนที่มีความสุขกับการสูบบุหรี่ก็ไปซื้อบุหรี่มาซองหนึง่งเวลาสูบบุหรี่ก็มีความสุขเดี๋ยวพอบุหรี่หมดซองทํำยังไงลนะ อิ่มไหมพอไหมหมดซองแล้วควรจะพอยสูบต้องยี่สิบมวนแล้วมันน่าจะพอกับไม่พอกลับอยากจะสูบอีกก็ต้องไปซื้อมาอีกซื้อมากี่ซองมันก็เหมือนกันมันพอมันหมดแล้วมันความอยากมันไม่หมดไปกับบุหรี่ปัญหามันอยู่ตรงนั้นความอยากมันยังมีต่อมันก็เลยต้องบังคับให้ไปซื้อต่อเมื่อใช้เงินก็ต้องไปหาเงินเยชีวิตมันก็จะติดอยู่กับการหาเงินใช้เงิน แล้วก็จะไม่มีพรพ้นจากความทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวเงินหมดมันก็ทุกข์อีกแล้วไม่มีเงินซื้อบุหรี่มาสูบก็ทุกข์แล้วนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงได้พ้นคนพบว่าความสุขที่แท้จริงนี้ต้องอยู่ที่การไม่มีความอยากและการจะไม่มีความอยากได้ก็ต้องฝืนความอยากแต่เราอยากจะสูบุหรียเราก็ไม่สูบมัน ทกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็เอาบุหรี่มาแล้วก็โยนทิ้งไปเอามาคีบแล้วก็อย่าไปจุดไฟขีบไว้สักนะแป๊บเดียแล้วก็โยนทิ้งไป <laughs> ถ้าสูบอย่างนี้สักพังเดียวมันก็ไม่อยากจะสูบ ม, มันก็จะเลิกสูบได้แล้วต่อไปความพอความอยากไม่มีแล้วมันก็ไม่ต้องไปซื้อบุหรี่สูบเห็น ไ, ไหมคนที่ไม่สูบบุหรี่สบายกว่าไหมนะ ไ, ไ, ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อบุหรี่ ไม่ทํามาเสียสุขภาพอีกนะสุกเร็แล้วเนี่ก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นเป็นเสียงต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคปอดโรคอะไรต่างๆโรคทางเดินหายใจอันนี้ต้องใช้ปัญญาคิดถึงจะเห็นโทษของความอยากแล้วก็ต้องใช้สมาธิเป็นกำลังหยุดความอยาก เพรปัญญาไม่มีกำลังจะหยุดความอยากได้ด้วยตัวเองปัญญาเพียงแต่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดการกระทำความชั่วได้ถ้าถึงแม้จะรู้วันชั่วเราก็รู้เนี่ยสูบบุหรี่ไม่ดีติดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีแต่เราก็ยังเลิกกันไม่ได้ติดการใช้เงินอยู่เนี่ยมีเงินใช้เงินมันไม่ดีหรอกแต่ทำไงได้แต่เราเราหยุดไม่ได้ เราจังชอบใช้เงินอยู่มันต้องใช้เงินก็ต้องไปหาเงินแล้วถ้าหาเงินโดยวิธีถูกกฎหมายถูกศีลถูกธรรมไม่ได้ก็ต้องไปทำบาปเองไปทำผิดกฎหมายแล้วก็ต้องไปติดคุกติดตารางอีกถ้าทำบาปก็ตายไปก็ต้องไปติดในอบายไปเกิดในอบายอันนี้เราก็ไม่รู้กันอีกเราก็ไม่เชื่อเพราะมันมองไม่เห็น มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนไปเกิดพอเห็นว่าร่างกายตายไปแล้วมันก็ไปที่วัดไปที่เมรุกายกายเป็นขี้เท่าไปแล้วใครไปรับผ ล, ผ ล, ผ, ล, ผ, ลผลบุญผลบาปต่อไปก็มองไม่เห็นอีกเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบใจใจจะโผล่ขึ้นมาเราเห็นเราจะเห็นตัวใจอันนี้เป็นเรื่องที่ ยากสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าถึงความจริงความรู้ของพระพุทธเจ้าได้จึงทำให้โอกาสของศาสนาที่จะเสื่อมนี่มันมีมากเพราะว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงแล้วเมื่อ น, น้อยคนมันก็ต่อไปก็จะไม่มีคนเข้าถึงกันยุคที่คนเข้าถึงกันมากๆก็ยุคของพระพุทธเจ้านี่ อยู่ของพระพุทธเจ้านี้มีคนบรรลุ ธ, ธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีคนหลุดพ้นจากความทุกข์กันเยอะแยะมีพระอาหารหันต์พระอาาริยะาาเจ้าเดินชนกันนัวเนี่ยไปหมดนี่ยแต่พอขาดคนเก่งมาสอนคนที่จะมาฟังแล้วเข้าใจแล้วเกิดศรัทธาเชื่ออันํามาไปปฏิบัติก็<ม>ก็มีน้อยลงไปความความสำคัญอยู่ที่คนสอนเนี่ยนะดูพระพุทธเจ้าคนเดียวอ่ะนะ มีพระพุทธเจ้าคนเดียวนี่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนจนถึงปัจจุบันนี่ปีเป็นล้านได้นะน้นง <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสอนไม่มีพระไม่มีพระอาหารหันตสักรูกไม่มีพระพุทธศาสนาเลย <Yeah. S 1> ต้องอาศัยคนฉลาดคนเก่งนอกจากนอกจากบรรลุแล้วยังต้องเก่งในการสั่งสอนด้วย สอนให้คนฟังแล้วเข้าใจแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อที่อยากจะปฏิบัติตามเนี yeah. Yeah. ่ยพระอาหานย์บางรูปท่านบรรลุแล้วแต่ท่านก็ไม่สอนสอนไม่เป็นสอนไม่เก่งพูดไม่พูดแล้วอธิบายให้คนฟังไม่เข้าใจ yeah. บางองค์ท่านก็เก่งเนี yeah. ่ยบางองค์เกิมีลูกศิษย์เยอะบางองค์ก็มีลูกศิษย์น้อยคร yeah. ูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยท่านก็มีเพร่อ ผ้าที่เป็นผ้าอาหารหันเป็นเพื่อนกันเน่แต่ไม่มีใครรู้จักเยอะแยะลูกยลูกศิษยสายลุงปู่บ้านเนี่ยมีหลายลูกที่เป็นผ้าอาหารหันกันแต่ที่ดังๆก็มีไม่กี่รูกที่รู้จักกันเพราะความสามารถในการเผยแผ่คำสอนการที่สอนให้คนเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจและสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กัอตนได้นนหายากมีน้อย ลูกปู่ลูกศิษย์หลงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงก็ที่เรารู้จักก็หลวงตามหาบัวที่รู้จักกันทั่วประเทศนอกจกนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักกันรู้จักเฉพาะบางกลุ่มบ า, บางจุดนถ้าอยู่ในอยู่ในละแวกใกล้ไว้ก็จะรู้จักท่านแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไกลไปก็ไม่มีการรู้จักะหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่อะไรเนี่ท่านก็เป็นพระหลานทั้งนั้นแต่คนยังไม่รู้จักกันเพราะคําสอนของท่านไม่กว้างขวาง คาสอนของหลวงตานี่ทั้ ง, ก, งกว้างขวางคนฟังแล้วติดใจชอบนามาไปปฏิบัติเราได้ผลก็เอาไปบอกไปฝากบอกคนอื่นกันไปเหมือนสมัยนี้เขาแชร์กันทางเฟ o บุ๊กอย่างนี้แชร์กันใหญ่อย่างนี้ที่นี่ก็แชร์ไปแสนกว่าแล้วเกือบจะแสนห้าแล้วมังแสนสี่ ก็มีคนแชร์กันไปเรื่อยๆพอก็ฟังแล้วโดนใจเขาเนี่ยธรรมะโดนใจพอฟังเ้าถูกใจก็ส่งแชร์กันไปแกันไปพะเขาสามารถเอามาแก้ปัญหาของเขาได้ที่เงินทองที่เขามีอยู่แก้ไม่ได้ mm hmm. เขาเคยใช้เงินทองแก้มาแล้วแก้ยังไงก็ไม่หายสักทียังไงก็ยังไม่สบายใจอยู่นั่น mm hmm. แต่พอมาได้ฟังธรรมะปั๊บเอาธรรมะมาแก้หายเลย เพียงแต่ปล่อยวางท่านั้นเองอย่าไปยุ่งกับมันิบจบแต่ชอบไปยุ่งกับมันชอบไปแก้เขาไม่มาแก้ตัวเราชอบไปแก้คนนั้นแก้คนนี้พอแก้ไม่ได้ก็ไม่สบายใจก็เลยไม่รู้จากวิธีแก้ความไม่สบายใจไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่เราชอบไปแก้คนอื่นพอธรรมะมาบอกว่าเอออย่าไปแก้คนอื่นแก้เราดีกว่าแก้ใจเราด้วยการอย่าไปแก้คนอื่น อให้คนอื่นเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแล้วเราก็จะสบายใจ <Yeah. S 1> แต่เรามันชอบไปแก้คนยังชอบแก้แฟนอยู่ว่อาอยากให้แฟนทำอย่างนุ้นทำอย่างนี้อยู่ว่ <laughs> าบาทั้งที่รู้ว่าทำไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ก็ยังอยากจะแก้เขาอยู่นั่นะแล้วก็มานองแล้วก็มาร้องไห้น้ำตาตกหน้ายอยู่คนเดียวเพราะ <Yeah. S 1> ไม่ได้ดังใจอยาก mm hmm. ก็เลยไม่สบายใจ พอมาได้ฟังธรรมะถึงจะรู้ว่าอ๋อความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากจะไปแก้คนนั้นแก้คนนี้อยากจะไปเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้อยากจะไปเปลี่นกล้วยให้ไปเป็นส้มอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยส้มก็ต้องเป็นส้มคนก็มีนิสัยอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนี้จะไปเปลี่ยนนิสัยเขาได้ไงตัวเขาเองก็ยังเปลี่ยนไม่ได้เลยนิสัยของเขาแล้วเราจะไปเปลี่ยนนิสัยของเขาได้ยังไงเราก็ทําได้เพียงแต่บอกเขานะ บอกเขาแล้วก็จบแต่ก็เปลี่ยนได้ก็ดีเปลี่ยนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้บางทีเขาก็ เ, าเปลี่ยนได้โดยนิสัยเปลี่ยนได้เพีงเยงแต่มันยากมันยากจึงไม่อยากเปลี่ยนกันแต่ถ้วเห็นว่านิสัยนี้มันเป็นโทษมันเป็นอันตรายแล้วพยายามเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้เช่นนิ <uffs. S 1> สัยกินเหล้าอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่ามันเป็นโทษกินเหล้าเดี๋ยวจะตายเร็วเนี่ยอายุจะสั้นโรคภัยไข้เจ็บจะมีมาก เสียเส่ยงมีโครคเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นตับแข็งเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรต่างๆถ้ารู้แล้วก็อยากจะเลิกก็จะสามารถเลิกได้เพียงแต่ต้องอดทนเพราะเวลาที่จะเลิกมันทรมานเวลาอยากจะดื่มแล้วมันไม่ได้ดื่มมือไม้มันสั่นใจสั่นถ้าทนได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยุดพอความอยากดื่มมันหยุดปับ๊บมือไม้สั่นใจสั่นก็จะหยุดไป ยิ่งถ้าได้มาศึกษาทางพระพุทธศาสนาได้รู้จักวิธีนั่งสมาธิก็จะช่วยได้เยอะคนที่นั่งสมาธิได้นี้จะเลิอกอะไรได้ง่ายเพราะว่าเวลาใจสั่นนี้เราสามารถใช้สมาธิหยุดมันได้เวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นิจมันจะสั่นใจมันจะวุ่นวายแต่ถ้าเราทำสมาธิได้เราก็มานั่งทำสมาธิกันภา๊บเดียวเดี๋ยวใจก็สงบก็หายสั่น เราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิบางทีทนไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทําตามความอยากต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาแต่เราต้องใจเย็นๆเพราะว่าการเรียนจากศาสนานี้เหมือนกับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเลยต้องใช้สติมากต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติฝืน ฝืนใจเหล่านี้ไม่มีเะไรจะยากก็เท่ากับการฝืนใจเป็นภูเขาหิมาลายนี่ยังง่ายกว่ามาฝืนใจเราเชื่อไหมเอาไปกระโดดล่มดิ่งพระสุทานี่มันยังง่ายกว่ามนฝืนใจฝืนความอยากของเราคนจึงเลี่ยงวิธีฝืนความอยากด้วยการไปทําของยากๆไปปีนภูเขาไปดิ่งพระสุทาไปแข่งรถไปแข่งเรือไปทําอะไรกันคิดว่าทำแล้วจะทําให้ตัวเองสบายใจมันไม่สบายหรอก เดี๋ยวความอยากมันก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมวิธีที่จะแก้ความอยากแก้ความไม่สบายใจก็มีวิธีเดียวก็คือต้องฝืนความอยากเท่านั้นเองอยากอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะทำอะไรที่มันทำให้เราติดอย่าไปทำมันเพราะทำแล้วมันติดมันต้องทำอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ทำมันจะทุกข์นั้นสู้ยอมทุกข์ดีกว่าทุกข์ด้วยการไม่ทำดีกว่าเพเดี๋ยวมันก็หายทุกข์แต่ถ้า ทำไปเวลาทุกข์ก็หนีมันไปทําตามความความอยากความทุกข์มันก็หายไปแต่มันไม่หายอย่างถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เพราะเดี๋ยวก็อยากทําใหม่อีกพอไม่ได้ทําตามความอยากมันก็ทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเรายอมทุกข์ว่าเอมึงจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่จะไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวมันก็จะทุกข์แบบเต็มที่สุดขีดเลยถ้าทนได้เดี๋ยวมันก็หยุดพอความอยากมันหมดกําลังความทุกข์มันก็จะหยุดไป ทีนี้มันก็จะไม่มาอยากอีกต่อไปเราไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป mm hmm. แต่ถ้ามีสมาธิมีวิธีฝึกสติได้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ได้มาก mm hmm. พอเวลาอยากจะทำอะไรแล้ว เ, เกิดความทุกข์เราไม่ทำเราก็ใช้สมาธิช่วยใช้สติช่วยนั่งพุโทโธพุโทโธไปอยากจะดื่มกาแฟก็พุโทโธพุโทโธไปมือไม้จะสั่นใจจะสั่นก็อยู่กับพุโทโธไป เดี๋ยวใจนิ่งสงบแล้วมันก็หายสัน่นแล้วความอยากจะดื่มบุหรี่อยากจะสูบอยากจะดื่มกาแฟมันก็จะเบาลงไปแล้วต่อไปมันก็เลิกได้นี่คือเรื่องของศาสนาว่ามันยากที่จะเข้าถึงกันได้เี่ยสมัยนี้เข้าถึงแก่นนี้น้อยมากแก่นของศาสนาก็คือเนี่ยปัญญาการที่จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก และการจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องเลิกความอยากจะเลิกความอยากได้ก็ต้องฝึกสมาธิต้องไปถือศีลแปดต้องอยู่วัดต้องไปอยู่คนเดียวมันเป็นของที่เราไม่ได้ถนัดทำกันเราเป็นพวกที่ชอบอยู่กันร่วมกันแล้วก็เล่นกันเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮากันพอเราต้องไปอยู่คนเดียวมันก็จะเกิดความ ว, าว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่ไม่ได้ ถ้าอยู่ร่วมกันก็นั่งสมาธิไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเหงาว้าเวก็นั่งสมาธิไม่ได้อีกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่เรียนดีกว่าไม่รู้ดีกว่ารู้แล้วทุกข์อย่าไปรู้มันดีกว่าไปเที่ยวทำไปไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปดีกว่าก็เลยอาจจะไม่เข้าหาศาสนาเพราะหาเข้าหาตัวเองก็ปฏิบัติไม่ได้พราไม่มีความอดทนพอไม่มีความไม่มีความเพียรพอ ไม่มีความพยายามพอพอลองทำนิดทำหน่อยแล้วยากก็ถอยยกถุงขาวยอมแพ้ก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาหาความสุขแบบเดิมแล้วก็มาทุกต่อไป <Yeah. S 1> เพราะความสุขที่เราหาแบบเดิมนี่เดี๋ยวมันต้องมันต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะไม่หาไม่ได้เวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะหาไม่ได้ เวลาเราไม่มีเงินมีทองเราจะหาไม่ได้กัน น, นี่คือเหตุที่ทำให้ศาสนาจะเสื่อมลงไปเรื่อยเพราะคนจะเข้ามาศึกษามาปฏิบัติแล้วก็มาบรรลุผลแล้วเอาไปสอนคนอื่นต่อ น, นี่จะมีน้อยลงแล้วคนที่จะไปสอนได้อย่างมีอย่างได้กว้างขวางก็จะมีน้อยอยู่แล้วนั้นโอกาสที่ศาสนานี่จ ะ, จะเจริญนี่ไม่มี มีแต่เจริญสุดแล้วก็เริ่มเสื่อมจุดเจริญสูงสุดของศาสนาก็จุดที่พระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมะสมัยนั้นอ่ะเป็นสมัยที่เจริญสุดของพระพุทธศาสนาเพราะมีพระอรหันต์มากที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วต่อมาก็เริ่มน้อยลงพอพระพุทธเจ้าตายไปองค์เดียวนี่พระส า, าวกนี่ก็ถึงแม้จะมีจํานวนมากก็สอนสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ แล้วก็จำนวนผ้าอาหารก็จะน้อยลงไปได้เรื่อยตอนนี้ต้องวิ่งหากันค้นหากันแทบเป็นแทบตายกว่าจะเจอสักสักองค์อย่างเงี้ยหมายว่าพุทธการนี่เดินไปไหนก็ชนกันหมายที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมนี่คนฟังธรรมทีห้าร้อยคนบรรลุเป็นผ้าอาหารทีเดียวห้าร้อยคนเลย ภายในเวลาเปนระยะเวลาเจ็ดเดือนพระพุทธเจ้าผลิตผ้าละหันได้ขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเพราะอะไรก็เพราะวันมาฆ้าบูชานี่มีผ้าละหัน์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าหนึ่งพันสองอยห้าสิบรูปเราถึงรู้ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงประกาศพระธรรมคําสอนเพียงเจ็ดเดือนนี้ก็มีผ้ า, า 1, ละหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมในวันเพ็ญเดือนแปด แล้วต่อมาวันเพ็ญเดือนสามก็อีกเจดเดือนแปดแปดถึงสิบสองก็สี่จากสิบสองไปสามก็อีกสามบวกกันก็เป็นเจ็ดเดือนเป็นวันมาคบูชาวันมาค้าบูชาเป็นวันอะไรวันที่มีพระสาวกหนึ่งสองร้อยหารูปเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสาราทิตต่างๆพระสาวกเหล่านี้ก็เป็นนักศึกษาทักเรียนของที่เรียนจากพระพุทธเจ้านี่แหละ พอได้ฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมตามทิศต่างๆแล้วต่อมาก็คิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบูปในสมัยนี้มีไหมพระพุทธมีพระสาวกหนึ่งพันสรห้าสิบูปมาพบกันบ้างไหม มีอย่างกันอย่างมากก็บางครั้งสี่ห้ารูปเช่นช่วงงานศพหลวงปู่มั่นเนี่ยคงยังมีผ้าละหันหลายรูปเหมือนกันทนะี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธทมนะท่านหลวงปู่ฟัน้นหลวงปู่ขาวครนะูบาอาจารย์รุ่นรุ่นใหญ่กว่าหลวงตานะปีที่หลวงปู่มันม่นมรณภาพหลวงตาท่านยังไม่บรรลุนะท่านยังติดอยู่ขั้นสุดท้ายอยู่ แต่ครูบาอาจารย์ลูกอื่นนี่ไม่ไม่ทราบคิดว่าท่านันรล้กันก็คงจะมีเพราะท่านเป็นพระที่มีพรรษามากกว่าหลวงตาถ้าอยากจะเจอพระหลานเขาถึงมักจะไปงานศพของครูบาอาจารย์กันเพราะมักจะมีครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านบรรลุธรรมขั้นต่างๆนี่จะไปร่วมงานศพกันแล้วก็จะได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆกัน ดี่นานๆจึงจะมีมีสักครั้งหนึ่งที่มีจะมีพระปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะไปรวมกันเวลามีงานของงานศพของครูบาอาจารย์นั่นะจะมีโอกาสที่จะมีพระอาหาันไปเจอกันสักครั้งหนึ่งยามมีเกศโลกก็คงไม่มีเหมือนในสมัยพระพุทธการในช่วงที่พระพุทธเจ้าเป็นงานศพพระพุทธเจ้านี่คิดว่าคงจะมีหลายหมื่นน่ยที่เป็นพระอาหาร พระพระพุทธเจ้าสอนมาต้องสี่สิ้าปีเนี่ยใช่ไเพียงเจ็ดเดือนแรกนี้ก็มีพระอรหันต์อย่างน้อยพันกว่ารูปแล้วแล้วสี่สิ้าปีนี้จะมีพระอรหันต์กี่รูปกันแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าตายพระอรหันต์เหล่านี้ก็ต้องมางานศพของพระพุทธเจ้ากันช่วงนั้นคิดว่าเป็นยุคที่มีพระอรหันต์มากที่สุดแล้วจะมีครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีพระอรหันต์มารวมกันแบบนั้นอีกต่อไป แล้วเดี๋ยนี้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีเพราะคนมาเรียนมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติกันก็จะน้อยไปเพราะว่ามีสิ่งล่อใจเยอะเดี๋ยวนี้ความสุขทางโลกมันเยอะไม่เหมือนสมัยโบราณความสุขทางโลกมันน้อยก็เลยไปบวชกัน พออยู่ทางโลกมันทุกยากลาบากกันบางทีก็คนก็หนีความทุกข์ยากทางโลกไปบวชกัน mm hmm. อย่างน้องปู่มาเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นลูกเป็นเป็นชาวนาเลี้ยงลูกส่งเรียนไม่ได้ก็ส่งไปอยู่วัดเห็นไไปเรียนที่วัดไปบวดไปบวชเป็นเนรพอโตหน่อยก็เ mm hmm. อามาช่วยทำงานช่วยทำงานช่วยทานาพออายุครบบวชอีกทีก็บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วก็ไม่เสรกเลย แต่สมัยนี้มีงานเยอะมีงานมีการงานเยอะมีมีรายได้เยอะมีของที่จะซื้อเยอะมีคอนโดมีรถเก๋งมีเครื่องบินมีทีวีมีอะไรเยอะแยะไม่หมดเนี่ยคนจึงไม่อยากจะบวชกันสู้หาความสุขทางโลกดีกว่าเราโรงเรียนก็มีเยอะโรงเรียนรัฐบาลก็สนับสนุนให้เรียนไม่ต้องค่าใช้จ่ายไม่มาก เดี๋ยวนี้ก็เลยไปเรียนทางโลกกันไม่ไปเรียนทางธรรมแม้แต่บ้านเองเี่มาบวชก็ยังไปเรียนทางโลกกันไปเรียนป ร, ริญญากันอยู่ <Yeah. S 1> พอได้ป ร, ริญญาก็เสกกันไปเ <Yeah. S 1> สรจแล้วก็ไปเป็นอาชีพก็เรียกเป็นอาชีพที่ไปทำพิธีการทางศาสนา <Yeah. S 1> ถ้าไปเป็นทหารก็ได้ยศนายร้อย แล้วก็ได้ไปเป็นศาสนาพิธีกรเวลาเวลาทางทหารก็มีพิธีนิมนต์พระก็สายพวกนี้พวกที่เคยบวชแล้วก็ศึกแล้วไปรับราชการเป็นทหารมาทำหน้าที่นิมนต์พระมาทำหน้าที่จัดจัดที่นั่งจัดอะไรเตรียมพิธีการต่างๆทางศาสนาก็สายพวกนี้ที่มาบวชบวชแล้วก็พอไปเรียนได้ปริญญาก็ลาออก ศึกลาศิขาไปแล้วก็ไปสมัครไปเป็นทาหารเป็นตำรวจแล้วก็ไปรับหน้าที่เป็นาศาสนาพิธีไป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไอพวกที่จะมาบวชเพื่อที่จะมาบรรลุประศึกษาเพื่อมาฆ่ากิเลส <Yeah. S 2> ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อย <Yeah. S 2> ๆต่อไปก็จะไม่มีใครบวชบวชก็ไม่ได้มาเรียนบวชแบบศึกบวชเช้าศึกเย็นนันเนี้ยมีบวชเช้าศึกเย็นเคเนไ <Yeah. S 1> บวชหน้าไฟกัน yeah. บวชดาวหน้าเอาตามบวชเพื่อถ่ายรูปแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าบวชไปทําไมศีลไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างศีลของพระอย่าว่าแต่สมาธิหรือปัญญาเพียงแต่ศีลก็ไม่รู้ละศีลของพระสองอยยิบเจ็ดข้อมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนื้อเกือ พูดถึงเรื่องของความเสื่อมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเลยพยากรณ์ว่าคงไม่ไม่เกินห้าพันปีนี่เราก็เข้ามากึ่งหนึ่งละสองพันห้าร้อยก็กึ่งพุทธกาลนี่ก็เพิ่มอีกหกสิบเอ็ดปีเข้าไป <c oughs> คนที่สนใจที่จะเข้าหาแก่นของศาสนาจริงๆก็น้อยลงไปเรื่อย วนใหญ่เข้าม า, าศาสนาก็เพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ได้ธรรมากิดค้าขายร่ำรวยขอให้แขวคข้าปลอดภัยขอให้มีชีวิตอยู่ยาวนานไม่ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะขอแค่นี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่า น, นี้จากาศาสนา ่ไปดูประเทศที่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนี้เขาวัดก็ไม่มีพรนะเนี่ยมีแต่อุบาสกโกนหัวแล้วแต่งชุดอะไรของเขาแล้วก็คิดว่าเป็นพระคำนี้เขาเป็นอุบาสกดูคอยดูแลวัดท่านั่นเองคอยเก็บกวาดลานวัดคอยดูแลาหาทุบหาเทียนมาตั้งไว้ให้คนเวลาเขาจะมาทำบุญมาได้ทำบุญเขาไม่ไปวัดเขาไม่ได้ไปหาพระเขาไปเขาไปกราบพระไปขอพรทนันเอง วัดญี่ปุ่นบางวัดเห็นก็ทําอย่างนั้นไม่มีพระไม่มีใครสอนอื <c oughs> ต่อไปก็จะอย่างวัดพระแ ก, ก้วเหมือนกันวัดพระแก้วก็ไม่ก็มีแต่ก็มีวันพระก็ยังนิ ม, มนต์พระมาเทศอยู่ใช่ไหมวัดพระแก้วนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกราบพระแก้วมรดกกัน <c oughs> ไปขอพรจากพระแก้วมรดกกัน <c oughs> ไม่ขอธรรมะขอพรอ ไ ม, มไม่มีใคกรสนใจทั้งที่แก่นของศาสนาก็คือธรรมะไม่ใช่พรนะพรมันก็เกิดจากธรรมะแต่ไม่รู้กันคิดว่าขอแล้วจะได้ถ้าอยากจะได้พรจะต้องต้องได้ธรรมะก่อนถ้ามีธรรมะแล้วก็จะได้พรคือความสุขความเจริญความสุขความเจริญเกิดจากธรรมะเพราะธรรมะจะสอนให้เราสร้างเหตุที่จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญ เอ๋ที่จะทําให้เราเกิดความสุขเจริญทางจิตใจนะไม่ใช่ทางลาบยศสรรเสริญไม่ใช่ทางร่างกายร่างกายยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายไม่ว่าจะขอพอรหรือไม่ขอพอรไม่ว่าจะมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เจริญคือจิตใจจิตใจที่ไม่มีวันตายจิตใจที่จะต้องไปเกิดต่อ ถ้ามีธรรมะก็จะไปเกิดที่ไปเกิดที่ดีไปเกิดที่สุขที่เจริญคือสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนั่นอันนี้จะได้จากการมีธรรมะเพราะธรรมะจะเป็นผู้บอกให้เราสร้างเหตุที่จะทําให้เราได้สุขได้เจริญกันถ้าไม่มีธรรมะเราก็มักจะไปทําเหตุที่ทําให้เราเสื่อมกันเพราะเราจะไม่รู้ ว่าการทำบาปนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเสือ่อมในเวลาเราโกรธเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ถ้าทำทำทาโดยที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องทำบาปเพราะเรายังอยากได้สิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะได้ผลอะไรอย่างมากก็ติดคุกติดตารางถ้ามีเงินมากก็ซื้อซื้อคุกซื้อตารางได้หนีคุกหนีตารางได้ ก็เราไม่กลัวกันไม่กลัวบาปกันขอให้หาเงินไว้เยอะๆแล้วกันเดี๋ยวถึงเวลาก็ซื้อได้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางแต่มันโทษของบาปนอกจากติดคุกติดตารางยังมีตอนตายไปตัวที่ไม่ตายมันต้องไปติดคุกในอบายต่อไปไปตกนรกนี้อันนี้เงินทองซื้อไม่ได้หนีไม่ได้เราไม่รู้กันเพราะไม่เคยเห็นตัวที่ไปไปต่อ คือจิตใจของพวกเราเนี่ยไปต่อมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเรานี่มีสองส่วนมีร่างกายแล้วมีจิตใจแต่เราเห็นส่วนเดียวเห็นส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นจิตใจเราไม่เห็นเราก็เลยเหมาว่าจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปอยู่ในสมองสมองเป็นผู้รู้ผู้คิดเรานักวิทยาศาสตร์ก็จะคิดกันอย่างนั้น นักปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวโกนี้ท่านบอกไม่ใช่คนละคนกันผู้รู้ผู้คิดนี่เป็นอีกคนหนึ่งเป็นเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเวลาร่างกายตายไปนี้ผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะผู้รู้ผู้คิดไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนกับคนที่ควบคุมกล้องถ่ายรูปนี่ ก, กล้องถ่ายรูปไม่ได้อยู่ที่เดียวกันกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายไปแต่คนควบคุมเป็นคนสั่งให้ถ่ายเป็นคนเปิดปิดกล้องเป็นคนให้กล้องหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคนนี้แหละที่จะต้องไปรับผลต่อไปไปอบายไปสวรรค์ก็อยู่ที่อยู่ที่การกระทาของคนนี้ ถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปอบายถ้าทำบุญก็จะไปสวรรค์นี่เกิดเรื่องของาศาสนาที่มันยากกว่าเรื่องของทางโลกวิชาทางโลกเรียนรู้ปัจจบนเข้ามันเห็นด้วยตาได้บวกเลขบวกลบคูณหารมันเห็นตัวเลขทันทีแต่ศึกษาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่า้ตายเกิดเรื่องความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก เรื่องการหยุดความอยากนี่มันเห็นได้ยากกว่าเพราะต้องนำออกไปปฏิบัติจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะมาศึกษาทางนี้กันแต่ถ้ามีถ้าคนที่สนใจก็ศึกษาเขาก็จะได้รับเขาก็ได้เรียนรู้ได้รับปรนะโยชน์ได้บรรลุเป็นพระสาวกกันไปแต่ก็มีน้อยมากาศาสนาพู้จึงเหมือนกับเป็นวิชาระดับป ร, ริญญาเอก คนที่จะจบปริญญาเอกนี่มีน้อยนะส่วนคนที่จบปหนึ่งนี่เยอะจบได้ทุกคนจบอนุบาลนี่เยอะพอสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจะน้อยลงไปเรื่อยๆพอมสามนี่ก็บางทีก็ออกกันละจบมสามต้องไม่ต่อกันละแล้วก็จะน้อยลงมหกก็น้อยลงไปปวชปวสยิ่งน้อยลงไปปริญญาตรียิ่งน้อยลงไปปริญญาโทน้อยนอยถึงปริญญาเอก จากปริญญาเอกก็ต้องไปของศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่เพราะเรียนทางศาสนาพุทธนี้ยากกว่าการเรียนปริญญาเอกอันนี้เป็นเรื่องของศาสนาที่จะต้องเสืิมไปตามตามธรรมชาติของมันไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมีการเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดาตอนนี้เรายังอยู่ในยุคที่ยัง ยังไม่เสื่อมไม่มากยังสามารถที่จะหาส่วนที่ไม่เสื่อมได้คือส่วนที่เป็นแก่นยังมีอยู่คือส่วนที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุธรรมก็ยังมีเราก็เข้าหาส่วนนั้นไปเราก็ยังสามารถรับประโยชน์จากศาสนาได้เหมือนกับในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เรายัางโชคดีเรายังมีโอกาสที่เราจะได้รับประโยชน์จากศาสนา นั้นเราขอให้เราพยายามเข้าหาพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆยิ่งศึกษาไปแล้วเกิดความเข้าใจมากขึ้นก็จะเกิดมีศรัทธาที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปแล้วพอได้ปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลของการปฏิบัติจะเข้าใจมากขึ้นจะได้ได้รับความสุขจากการปฏิบัติมากขึ้นก็จะมีกําลังใจมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนันที่สุดก็จะสามารถ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเลิกทามาหากินเลิกไปหาความสุขทางร่างกายออกบวชกันบวชเป็นพระออดบวชเป็นชีกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้บรรลุมรคผลณิพานกันยังมีโอกาสตอนนี้ศาสนายังไม่เสื่อมยังไม่หมดแต่ถ้ากลับมาคราวหน้าไม่รู้นะเพราะตายไปนี้เมื่อไหร่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่รู้ ถ้าพ้นพ้นห้าพันปีไปแล้วก็อาจจะไม่เจอไม่ได้รับประโยชน์แล้วเพราะไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครสอนอันนี้ยังมีคนรู้มีคนสอนอยู่ก็ให้เขาพยายามเข้าหาคนที่รู้คนที่สอนแล้วพยายามนำเอาไปปฏิบัตเิเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันซ้าแล้วซ้าอีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกแล้วเราไม่รู้ เราก็จะไม่สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาทุกข์อย่างที่เราทุกข์กันเนี่ยเดี๋ยวยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องแก่มากขึ้นไปต้องเจ็บมากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกันอนี่คือเรื่องของศาสนาที่จะต้องมีวันเสื่อมไปไม่มีใครห้ามมันได้มนันเป็นกฎของธรรมชาติแต่ตอนนี้เรายังรับ ยังได้รับประโยชน์อยู่ก็รีบรีบตักตวงผลประโยชน์เสียอย่างที่คำพูดที่เขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวพอน้ำลดหมดน้ำแห้งมันจะไม่มีน้ำไห้ตักกันะะนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาาปุราปเรกเปเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเเ t ปุเรนโตสังกปะจันโทปนาอราโสยะธามณิโชติอ a ราโสยะธาสัพพิตโยวิวัจันโุสัพพะโรโวินัสตโต มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวะธนสิลิศะนิจังวุทธาปจายโนจตารธุธรมมวาทานติอายุวะโนสุขังพลาอันนี้เพื่อนไม่ได้มาเลยเพื่อนไปทำดุซ่าครับอ่าจะไปไหนเลยไปเที่ยว ไปเที่ยวอ่ะขณะฟังทรรยังไปน ะ, นะยังสู้ความอยากไม่ได้เวลาฟังทํารม่็เข้าใจเข้าใจแต่พอถึงเวลามันมาชวนก็ไปเลยลืมเลย <S 1> <S 1> <นะ S 2> พอความอยากมาชวนไปเลยลืมหรือว่านําไปสู่ความทุกข์เดี๋ยวนั้นหัวกระทุกเดี๋ยวก็จะรู้เองเดี๋ยงเงินไม่พอใช้ก็รู้เอง ถ้าไม่ไปเที่ยวก็เก็บเงินก้อนนี้ไว้ได้เผื่อเผื่อไม่มีรายได้ก็ยังจะอาศัยเงินก้อนนี้มาใช้ได้เอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวก็หมดแล้วเอาฝากไว้ธนาคารดีกว่านะเผื่อไม่มีรายได้ขาดต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารก็ยังมีจ่ายไปเที่ยวแล้วก็หมดกลับมาแล้วก็หมดมเพลิดเพลิเดี๋ยวเดียวสนุกเดี๋ยวเดียวกลับมาแล้วก็ผ่านไป แต่ความอยากมันเก่งนะมันหลอกล่อใจเราได้มันสร้างความความรู้สึกว้าเวขึ้นมาเวลาไม่ได้ไปเที่ยวสร้างความกดเย็ดลำคาญใจวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยห้าสิบสี่ครับทา y o u t u b หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าครับย e อยู่ค่อนข้างจะมากขึ้นนะ เต้นลุกดีเจไม่อยู่น่อาออกดีเจไม่ทิ้งไม่มี อ, อยู่โมฮันได้สิบสองคน <laughs> คิดว่าอัตโนมัติคิดว่าตั้งอัตโนมัติได้ ม, มีคําถามต่างต่างชาติไหมวันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีมถามโดยครับคําถามจากคุณชนะตนถ้าเรายังทํางานอยู่ เราทำทั้งทานสิงแปดภาวนาไปด้วยกันก่อนหาเวลาวันหยุดไปปลีกวิเวกจนกว่าจะออกจากงานจึงเน้นภาวนามากขึ้นและลดทำทานลงเป็นการประมาทเกินไปไหมคะโยมเข้าใจว่าทำไปเรื่อยๆถ้ากำลังใจได้มันจะไปของมันเองก็อยู่ที่การทำถ้าทำแล้วได้ผลมันก็จะมีกำลังใจที่จะทามากขึ้นไป การจะทำให้ได้ผลก็ต้องทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกถึงแม้จะทำมากก็ไม่ได้ผลมันก็จะท้อแท้ได้ทำแล้วไม่ได้ผลงั้นต้องต้องศึกษาวิธีการกระทำให้ถูกต้องวิธีทำที่ถูกต้องแล้วพยายามทำให้ถูกต้องแล้วทำแล้วมันจะได้ผลเอาได้ผลแล้วมันจะได้กำลังใจมันจะอยากจะทำมากขึ้นไปเองเหมือนทำงานแล้วได้เงินเดือนเนี่ย พอได้เงินเดือนมันก็จะมีกำลังใจที่จะทำทำให้ดีขึ้นทำให้มากขึ้นเพื่อจะได้รางวัลเพื่อจะได้ได้ขึ้นเงินเดือนมากขึ้นไป <Yeah. S 1> แต่ถ้าทำไปแล้วทำไม่ถูกทำงานไม่ได้ผลเงินเดือนเขาไม่ให้เงี้ยมันก็มันก็ไม่มีกำลังใจที่จะทำดั uh huh. งนั้นการจะทำต้องต้องศึกษาต้องรู้ว่าวิธีที่จะทำให้ถูกต้องนั้นทำอย่างไรเช yeah. ่นการ การทำทานก็ทำไปตามกำลังการทำทานนี้มีไว้เพื่อที่สกัดการที่เราจะเอาเอาเงินไปใช้ตามความอยากทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี่เราต้องเอาไปทำบุญแทนอย่างเช่นจะไปเที่ยวอังกฤษเนี่ยควรจะเอาเงินที่ไปเที่ยวอังกฤษนี่ไปทำบุญแล้วเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวอังกฤษมันก็จะหายไปทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่ยวไปเที่ยวนี้ไปทำบุญ แล้วต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปเพราะเวลาทําบุญมันจะทําให้เราสุขใจอิ่มใจแล้วทําให้เราไม่รู้สึกหงุดหงิดว้าเวที่เราต้องไปเที่ยวเพราะเรารู้สึกหงุดหงิดว้าเวหะแล้วเราคิดว่าการไปเที่ยวจะทําทให้ความหงุดหงิดว้าเหวหายไปมันหายชั่วคราวหายตอนที่ไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่กี่วันก็หงุดหงิดว้าเหวเหมือนเดิม แต่ถ้าเราเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทําบุญนี่ยมันจะระ ง, งับความหงุดหงิดว้าเหวได้เพราะความอยากเที่ยวมันจะน้อยลงไปความ ว, ว้าเหวความหงุดหงิดมันจะน้อยจะเบาลงไปเราทุกครั้งที่มันจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทําบุญหรือไม่ไม่ไปทําบุญก็เก็บไว้ก็ได้แต่เก็บไว้ก็ไม่ดีมันไม่ทําให้อิ่มใจสุขใจแล้วก็มันจะทําให้ล่อใจอยู่ได้ถ้ายังมีเงินอยู่เดียวมันก็ยัง ไม่ได้แล้วก็ต้องไปจนได้แต่ถ้าไม่มีเงินแนละ้วมันก็จะอยากไปก็ไปไม่ได้แล้วเพราะเงินไม่มีแล้วเงินที่จะไปเที่ยวหมดแล้วเอาไปทาบุญหมดแล้วแต่อย่างนี้มันก็ต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะหมดเองแล้วจะทำให้เรามีเวลาปฏิบัติใช่ไหมไปเที่ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี้ยเจ็ดวันถ้าเราเอาไปทาบุญมาอยู่วัดเจ็ดวันได้ปฏิบัติเจวันนี่ได้ปฏิบัติมากแล้วปฏิบัติถูก เดี๋ยวเหมือนกับถูกฮอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับจิตน้วมขึ้นมาผลเดียวนี้ติดใจเลยทีนี้พอได้เห็นผลจริงๆสักครั้งเดียวทีนี้ไม่อยากจะได้อะไรแล้วเพราะไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับผลที่เกิดจากการปฏิบัติพอได้แล้วทีนี้มันจะไม่เอาอะไรแล้ทีนจะไปอยู่วัดเรื่อยๆวนะ่างเมื่อไหร่ก็ไปลดการทํางานน้อยลงเพราะไม่ต้องใช้เงินแล้วมีเงินไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอจ่ายค่าน้ำข้าไฟวัดค่าอาหารก็พอแล้ว อันี้ก็ไม่ต้องทํางานมากพราะเราปฏิบัติเป็นแล้วเราปฏิบัติเรานั่งสมาธิได้จิตรวมได้นะอันนี้ก็ให้มันรวมอยู่เรื่อยมันต้องมันต้องเป็นแบบนี้เหมือนถึงจะก้าวหน้าอย่าไปปฏิบัติเช้าชามเย็นชามเคยปฏิบัติยังก็ปฏิบัติไปโดยที่ไม่ได้มีคิดการไม่มีมาตรการเพิ่มให้มันมีมากขึ้นไม่มีมาตรการที่กําจัดความอยากให้มันน้อยลงมันก็จะไม่ก้าวหน้า คำถามจากคุณชนะตนผู้ที่ปฏิบัติโสดาปฏิมักอยู่ถือว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะแล้วมักของพระโสดาบันต้องทําอย่างไรบ้างคะตอนเจริญมากก็ยังเป็นเหมือนนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้เป็นนักยังไม่ได้จบปริญญาเช่นเราไปเข้าจุฬาปีหนึ่งนี้เราก็ถือว่าเป็นนิสิตแต่เรายังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ได้จบปริญญาคนที่เจริญมากก็คือคนที่กําลัง จเจริญปัญญาเพื่อมาตัดความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเนี่ยถ้าศึกษาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญเราเป็นเหมือนรับเขามาเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ตายไปจากร่างกายอันเก่าแล้วก็ไปหาไปรอรับร่างกายอันใหม่ ใจที่ไม่มีรูปร่างแต่ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาให้แยกตัวเราออกจากร่างกายให้ได้ให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นร่างกายที่ทํามาจากดินน้ําลมไฟแล้วต่อไปมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะได้ไม่ไปหลงไปถือว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่ไม่ไม่มีความไม่ดู้ว่าไปควบคุมไปสั่งมันไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วเป็นเหมือนคนดูร่างกายดูแลร่างกายอันนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้เราเขามารับใช้เรา แต่เราเป็นหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเราเราเลยกลัวเขาเวลาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเรากลัวเพราะเราคิดว่าเราจะแก่เจ็บตายไปกับเขาแต่พอเราสามารถแยกด้วยปัญญาแยกด้วยสมาธิได้เราก็จะไม่กลัวเราก็จะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเราก็จะเป็นสโสดาบันได้แล้วเราก็จะไม่ต้องทำบาป อ, อีกต่อไปเพราะที่เราทำบาปเพราะเราลักตัวกลัวตายกัน กลัวอดเราก็ต้องทำบาปถ้าหากินถ้าถ้าหากินโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องไปทำบาป <Yeah. S 1> ต้องไปยิงนกตกปลาไปหาอะไรมากินไปรักขโมยข้าวของมากินอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเรามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่เราไม่ไปทำบาปพอเราทำบาปแล้วเรารู้เราต้องไปใช้กรรมต่อไปเพราะโสดามันเลยไม่ต้องไปเกิดนบาย <Yeah. S 1> เพราะไม่ทาบาปอีกต่อไป ถึงแม้ว่านั่งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมตายมีกว่ไปทําบาปคําถามจากคุณจิราแรกๆฟังธรรมพระอาจารย์และปฏิบัติตามต่อเนื่องต่อมาในธรรมเดียวกันพอฟังซ้ําความเข้าใจจะลึกซึ้งขึ้นกว่าตอนแรกเวลาฟังธรรมเราเข้าใจว่าเราต้องปฏิบัติถึงระดับนั้นๆถึงจะฟังเข้าใจแต่จะทราบได้อย่างไรว่า เราเข้าใจทำนั้นๆถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคะก็เมื่อเรากำจัดกิเลสได้หมดเนีกำจัดความอยากต่างๆได้หมดใจเราไม่มีความทุกข์หลงเหนืออยู่แล้วถ้ายังมีความทุกข์หลงเหนืออยู่ก็ยังแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเต็มที่เรายังขาดตกบกคล้องบางส่วนอยู่เราก็ต้องเสริมมันต่อไปใช้ปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาต่อไปคําถามจากคุณแอม กาเรียนถามพระอาจารย์เคยถามพระอาจารย์ไปเรื่องสภาวะที่เคยเป็นคือสงบว่างอยู่นานร่วมสามชั่วโมงคืออะไรและควรทำอย่างไรต่อเมื่อได้คำแนะนำจากพระอาจารย์มาเข้าใจแล้วข่าว่าพระอาจารย์หมายถึงให้เราฝึกฝนภาวนาต่อไปให้เกิดขึ้นได้บ่อยได้นานภาวนาจนกว่าให้ได้ผู้รู้เกิดอยู่กับเราจริง ขอขมาพระอาจารย์ที่เคยสงสัยในธรรมและเคยคิดแปลกแยกต่อพระอาจารย์ขอปฏิบัติบูบชาถวายพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครัวอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ค่ะต่อไปถ้าเราชำนาญทางสมาธิแล้ว เ, เราก็ไปทางปัญญาต่อไปสอนใจให้เราแยกใจออกจากร่างกายแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราไม่สามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายไปกับเราได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการจากเราไปถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเขาเราจะไม่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาพัดผ้าจากเราไปซึ่งต้องมีการจากกันไม่จากตอนเป็นก็จากตอนตายคําถามจากคุณเชิดทําไมคนไทยเรานับถือเครื่องรางของขลังพิธีกรรมแบบศิลปัตรปามาสนับถือดวงดาวปีชงและแก้อย่างไรครับน้ัสศการครับ พราไม่มีการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแล้วก็ไปเรียนจากคนที่ไม่รู้สอนกันมาแบบผิดๆสอนมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่ศึกษาไม่นําเรียนฮก็เลยเชื่อกันแบบงม ง, งายไปต้องเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหะถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนอ ร, รยิยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมาก ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราจะระดับความอยากดับความทุกข์ได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับพระโสดาบันไม่เห็นตัวเราเป็นกายแต่ตัวเราคือใจคือไม่ยึดร่างกายเป็นเราแต่ยังยึดใจเป็นของเราอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วใจก็ไม่ใช่ของเราคือไม่ยึดทั้งกายและใจ ใช่ไหมใช่ตอนต้นก็ให้ให้ปล่อยกายก่อนพอปล่อยกายแล้วก็ไปปล่อยใจทีนึงมันเป็นขั้นขั้นไงมันจะ ท, ทําทีเดียวมันมันมันมันผ่านต้องเป็นขั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือต้องเรียนชั้นประถมก่อนแล้วค่อยไปชั้นมัธยมมัธยมแล้วค่อยไปอุดมศึกษาคําถามจากคุณบางอ่อนขอกราบพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิจะนั่งขัดสมาดนานไม่ได้ อ, อนั่งนานไม่ได้นะครับคุณหมอห้ามนั่งเก้าอี้ห้อยเท้าฟังเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเอเด่ว่าถ้าจะนั่งนานๆท่านั่งสมาธิมันเป็นท่านั่งที่ที่ดีที่สุดเพราะว่ามันร่างกายมันมันอยู่ในที่ที่มันน้ําหนักมันได้มันมันมันไม่นั่งไม่เองไปเองมาให้เหปละเสียง อ่ามายังอ่ามานะแบ น, นหมดเลยตามสบายนะจะไปก็ไปได้จะอยู่ก็อยู่ได้มไม่ต้องเกงฑใจนีไม่มีเวลาตัวอะไรที่เป็นเสียตอนนะี้ตัวสารามดิกนะแบตี่ชช่อยู่ประจำน ะ, ะอันนี้ก็รู้ว่าอนิจังไม่เที่ยง พอไม่เที่ยวก็ทุกข์ว่าเป็นปัญหาปัญหาที่จะต้องแก้แก้ได้เ ด, เดี๋ยวมันก็หมดอีกทุกอย่างไม่เที่ยงใช้ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวก็หมดอีกคําถามจากคุณสิริชัยตราเปลียนถามพระอาจารย์เราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าพระสงฆ์รูปใดสั่งสอนทำแท้ๆหรือทานที่ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้ดูยากเหลือเกินหรือตัดสินยากเหลือเกินว่าพระท่านเหล่านั้นสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้า เ, ออเราก็ต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนสิไปศึกษาพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีไม่มากหรอกคสอนพุทธเจ้าที่เป็นแก่นนะก็มงคลรสูตรเนี่ยก็สอน และเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องทำตัวยังไงจะมีเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ศึกษาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยก็จะสอนเรื่องของมรรคแปดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอริยสัจสีก็ต้องไปศึกษาซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกทั้งเล่มเพราะมีพระที่ท่านคัดคำสอนที่เป็นแก่นมารวมรวมเป็นเล่ม เป็นหนักสูตรนัก ร, รมตีโทเอกเนี่ยก็ไปไปซื้อหนังสือหลักสูตรเหล่านี้มาได้แล้วท่านก็จะบอกธรรมของพระพุทธเจ้าต่างๆว่ามีอะไรบ้างเราก็จะได้รู้ว่านี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าคำถามจากคุณอยู่ยงกราบพระอาจารย์อยากทราบความหมายเกี่ยวกับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายด้วยครับวาจริงเราก็ไม่รู้มากนะ คำว่าวิตกวิจาร์นี่เราไปอ่านเขาแปลว่าตึกตรองวิตกวิวิตวิตกแปลว่าตรึกวิจาร์แปลว่าตรองเวลาเราดูลมหายใจนี้เราก็กำลังตึกกำลังตรองอยู่ตึกตรองเรื่องเรื่องลมเข้าลมออกเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังอยู่ในฌานที่หนึ่งมีการตรึกตรองไม่มีการคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่ตรึกตรองอยู่กับเรื่องของลมหายใจเข้าออก หรืตรึกตรองอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพอเราตรึกตรองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาจิตเริ่มสงบลงก็จะเกิดความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบายใจบางทีน้ําตาไหลบางทีขนลุกสู้ขึ้นมาก็เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาแล้วอีการเกิดอะไรนะมีสี่ตัวเมื่อกี้นะี้ปิติสุขเอกะขะตาเอก ข, ะขะตาครับ จิตก็เป็นหนึ่งเอกขตตาก็จิตตั้งมั่นสัตว์แต่ว่ารู้ไป น, นี่ก็คือการนั่งสมาธิการเพ่งจิตแล้วมันก็จะเกิดคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาในจิตแล้วถ้าตึกตองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายตึกตองหายไปหมดเหลือแต่อุบเบกขาตัวเดียว ก, ก, กม็มันจะผ่านไปเป็นขั้นๆเข้าไปเป็นชานหนึ่งสองสามเข้าไป คำถามจากคุณจงแจ้งธรรมะพระพุทธเจ้าใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเพราะแก้กิเลสสามตัวเดิมคือความอยากใช่ไหมคะไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรมสมัยก่อนต่างจากปัจจุบันเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันแค่ลัดมือเดียวก็ตอบสนองได้ทันใจใช่ก็กิเลสนี้มันมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยในหัวใจของสารโลก ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ย mm hmm. ก็จะสอนเหมือนกันสอนเพื่อมาทําลายกิเลสสามตัวนี้ความโลภความโกรธความหลงและความอยากทั้งสามเนี่ยการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วตัวที่จะมาแก้ก็คือตัวศีลสมาธิปัญญาตัวทานศีลภาวนานี่คําถามจากคุณจงแจ้งนะครับพอได้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วปฏิบัติตาม เกิดความคิดที่ว่าทุกคนสามารถบรรลุธรรมได้ไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยอันนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนุไหมคะเพราะก่อนปฏิบัติคิดว่าโอกาสที่คนจะบรรลุธรรมน้อยมากต้องเจอพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่คนที่จะบรรลุต้องปฏิบัติเต็มที่และไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดเก่าเนี่ยความคิดที่ว่าต้องมีพระพุทธเจ้าถึงจะบรรลุธรรมได้เนี่ยเป็นวิปัสสนูเป็นวิชาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยขอให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองคือเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็ปฏิบัติดีอุชุก็ปฏิบัติอะไรปฏิบัติตรงญายะก็ปฏิบัติเพื่อให้เพื่อดับทุกข์ สามีจิก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็มีอยู่สี่วิีการปฏิบัติถ้ามีคุณลักษณะมีการปฏิบัติในคุณลักษณะทั้งสี่นี้ก็สามารถบรรลุเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้เหมือนเรียนหนังสือทํสมัยก่อนเราก็ไม่คิดว่าพวกเราจะไปเรียนปริญญากันได้สมัยที่เราเป็นเด็กๆเราไม่คิดว่าจะไปเรียนเป็นปริญญาคนได้ไม่คิดว่าจะไปเรียนเมืองนอกได้แต่พอเวลาเรียนไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาไปเรื่อย ความรู้ความสามารถก็มีมากขึ้นมันก็ขยับไปได้เรื่อยๆถ้าเราเรียนไม่หยุดเนี่ยต่อไปก็ปริญญาเอกก็เรียนได้<ม>โจรยายมันจะหยุดกันแค่นั้นเองพอได้ปริญญาตรีก็อยากจะไปเที่ยวกันแล้วอยากจะไปมีแฟนเงีแล้วมันก็เลยใจแตก <c oughs> คําถามจากคุณแจส๊สขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายความหมายของบุญอย่างละเอียดเจ้าค่ะเพราะมีการเข้าใจความหมายผิดกันมากค่ะ คำว่าบุญก็คือความสุขใจเวลาเราทำอะไรแล้วเราสุขใจนี่วเรียกว่าเราทำบุญใจมันนี้มาทำทานเอาของมาให้เรียกว่าทานทานแปลว่าการให้พอให้ของพระแล้วเราก็มีความสุขใจเราก็เด้เรียกว่าทำบุญความจริงเราไม่ได้ทำบุญเราทาทานเราเอาของมาให้พอเราให้ของเขาไปแล้วเราใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาความสุขใจก็เรียกว่าบุญ และการทําให้ใจสุขไม่ใช่มีเฉพาะแต่การทําทานอย่างเดียวการไม่ทําบาป ก, การรักษาศีลก็มีความสุขใจเช่นเราไม่ไปขโมยข้าวของใครนี้เราจะสบายใจกว่าเวลาที่เราไปขโมยข้าวของเขาใช่ไหมเวลาขโมยข้าวของใจไม่สบายพอไม่ได้ขโมยนี้ใจสบายนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างคือบุญจากการที่ไม่ทําบาป <c oughs> บุญอีกอย่างก็คือ กิดจากการที่เรานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจเราสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่อยากใจก็เกิดความสุขขึ้นมานี่ก็คือบุญต่างๆฟังเทศฟังธรรมก็เกิดความสุขฟังแล้วเกิดความเข้าใจก็มีความสุขใจมีความรู้มากขึ้นดันั้นความสุขเนี่ยคือการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใจก็เรียกว่าบุญ ในศาสนาพระพุทธเจ้าสอนสิบสบชนิดด้วยกัน10บวิธีแบ่งเป็นบุญหลักกับบุญบญเสริมบุญหลักก็คือเนี่ยทานเราควรจะทํากันทุกวันทํากันบ่อยๆศีลควรจะรักษากันเป็นประจําอย่าทําบาปภาวนานั่งสมาธิควรจะทํำเป็นประจําฟังเทศฟังธรรมเนี่ยควรจะทําเพราะฟังธรรมเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง หยวนบุญเสริมก็คือถ้ามีโอกาสก็ทําไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำเช่นวันนี้ทําบุญเราจะอุทิศบุญนี้ก็ได้แบ่งบุญนี้ให้กับคนตายไปก็ได้พอเราแบ่งบุญให้คนตายไปเราก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเช่นเราคิดถึงพ่อถึงแม่ที่ตายไปแล้วเราเป็นห่วงเขาแล้วเราทําบุญแล้วเรามีบุญที่จะส่งไปให้เขาพอเราส่งไปให้เขาอุทิศไปให้เขาเราก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นสองชั้นอันนี้ก็บุญที่เกิดจากการ ความสุขที่เกิดจากการอุทิศบุญความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่มีเงนินไม่มีทองแต่เรามีเวลาว่างเราไปช่วยทำงานช่วยเป็นอาสาสมัครไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบุญในงานการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็มีเป็นบุญอีกครคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้นจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะเป็นคนว่านอนสอนง่าย คนที่ถือตัวนี่เป็นคนว่าเนาะเป็นคนว่ายากใครไปพูดอะไรไม่ถูกใจก็โกรธแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนใครจะพูดอะไรก็อ่อนน้อมถ่อมตนยินดีรับฟังเสมอใครจะว่าอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์แล้วบุญที่เกิดจาก <c oughs> การมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากการทำความดี บาปก็คือความทุกใจที่เกิดจากการทำไม่ดีอันนี้เรามันก็จะทำให้เรามีความสุขเราจะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขใจเราจะไม่สงสัยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่คนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องนี้เขาจะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือทำดีแล้วได้บุญได้ความสุขใจทาชั่วทาบาปแล้วจะได้ความทุกข์ใจ นี่คือบุญต่างๆมีสิบข้อแต่นี่จําไม่ได้หมดนะมีข้อก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเนะช่นเรามีธรรมะมีหนังสือธรรมะดีๆเราไปให้ผู้อื่นเขาได้อ่านแล้วพอเขาได้อ่านแล้วเขาก็ได้บุญได้ความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะคำถามจากคุณสากราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะลูกขอกาบเรียนถามพระอาจารย์ คือลูกฝึกสมาธิมาสักระยะร่างกายเริ่มนิ่งแต่ใจมันไม่ค่อยนิ่งเหมือนกายนะเจ้าคะแต่ลูกก็บริกรรมพุทโธตลอดพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรสอนลูกเพิ่มเติมไหมคะถ้าถามอะไรไม่สมควรกราบขออภัยพระอาจารย์ด้วยคะ่ะก็ควรที่จะพุทโธก่อนที่จะมานั่งควรพยายามพุทโธให้มากๆทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาได้ก็พุทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเลือเล่อยเปื่อยดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธ หรือให้มันกลับมาอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับงานที่เราทําอยู่แล้วเวลานั่งมันจะสงบได้เร็วคําถามจากคุณศิลาแสงกราบพระอาจารย์ทํำยังไงไม่ให้คิดฟุ้งซ่านครับช่วยแนะนําด้วยครับเนี่ยก็พุโทโธตั้งแต่ตื่นเลย <laughs> อย่าปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันคิ ด, ม, คดมันก็ฟุ้งซ่านเลยก็หยุดคิดมันเสียใช้พุโทโธหยุดมัน พอเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปมันก็คิดอะไรไม่ได้ไม่เชื่อลองดูเสียเดี๋ยวลองไปเดินพุโทโธสักห้านาทีดนะูมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คําถามจากคุณโชคอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการไปเกิดในภพต่างๆครับก็อธิบายมาตั้งแต่ตั้งแ ต, แต่พูดเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยคือใจของเราเนี่ยไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจของเราเวลาอยู่ก็ทําบุญด้วยทํำบาปด้วย พอเวลาตายไปบุญกับบาปมันก็จะมาเป็นตัวดึงใจเราไปตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปทางนั้นถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็ดึงไปทางบาปไปทางอบายไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยเป็นสัตว์สี่เท้านี่ข้อบาปพาไปหรือถ้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่ได้เป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นเปรตพวกนี้เป็นพวกกายทิพย์ที่ไม่มีร่างกายแต่เป็นเป็นกายทิพย์ที่มีความทุกข์น เลยก็ทุกข์เพราะความหิวอสูรกายก็ทุกข์เพราะความกลัวพวกสัตว์นรกก็ทุกข์เพราะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทถ้าบุญมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆไปเที่ยวไปไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปดูเสียงไปดูรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เหมือนกับได้ไปเที่ยวต่างประเทศนี่เกิการไปไปเกิดหลังจากที่เราตายไปแล้ว แล้วพอบุญกับบาปมันมีกำลังเท่ากันจะดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะดึงไปอบายก็ไม่ได้ก็มาเป็นมนุษย์ใหม่มารับร่างกายของมนุษย์พ อ, พอเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทำบุญทำบาปใหม่เ <c oughs> พราะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยต้องบางทีต้องทำบาปเพราะถ้าไม่ทำบาปแล้วไม่ได้ก็เลยต้องทำบาปแล้วพอได้มาม า, ม า, มากๆก็บางทีก็ใจดีเอาไปแจกคนอื่นก็ได้ทาบุญ ก็เลยได้มีชีวิตก็เลยปนกันไปปนกันมาบุญกับบาปไปถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็ต้องหยุดความอยากอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้มีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะหยุดความอยากได้ก็ต้องไปบวชไปรักษาศีลแปดนั่งสมาธิไปศึกษาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพอรู้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากก็ฝืนมันอย่าไปทาตามความอยาก แล้พอเราฝืนความอยากได้ความอยากมันก็แพ้เรามันก็หมดกําลังไปมันก็จะไม่ดึงเราไปเกิดเด็กต่อไปเตัวที่จะดึงเราไปเกิดมีสองตัวคือตัวความอยากแล้วก็ตัวบุญหรือตัวบาปตัวความอยากนี่จะดึงให้เราไปเกิดแต่ตัวความอยากไอ้ตัวบุญตัวบาปมันจะดึงให้เราไปทิศไหนไปทิศเหนือและทิศใต้แต่ถ้าไม่มีตัวความอยากแล้วตัวบุญตัวบาปก็ไม่มีกําลังที่จะดึงไปทิศเหนือทิศใต้ได้ พรตัวความอยากไม่มีตัวที่จะดึงไปคือตัวความอยากแต่ตัวที่จะไปที่ไหนนี่คือตัวบุญตัวบาปพอไม่มีตัวความอยากจิตมันก็ไม่มีตัวดึงไปบุญกับบาปทํามามากน้อยก็ไม่มีกําลังที่จะดึงไปทางใดทางหนึ่งได้ต้องอาศัยตัวความอยากดึงไปพอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปเกิดก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปคําถามจากคุณพิภพ เวลาคนตายเขาว่าหมดบุญหมายความว่ายอย่างไรครั บ, บก็หมดเวลาทําบุญนะั่นเองบุญไม่หมดอะบุญนี่อยู่ในใจก็อยู่บาปที่อยู่ในใจก็อยู่แต่คำว่าหมดบุญก็เป็ น, ปนคําพูดแทนคําตายเนี่ยคือคนเราไม่ชอบภาษาคําว่าตายกันถึงมีคําแทนคําตายเยอะแยะไม่หายใจบ้างที่ลมบ้างแต่ไม่ยามพูดว่าตายหมดบุญมาก หมดเวทหมดกลม้างเลนะก็ทอานั้นเองเป็นคำพูดแทนคำว่าตายแต่มันไม่มีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นบุญก็ยังมีอยู่บาปก็ยังมีอยู่ในใจคำถามจากคุณณพลจริงหรือเปล่าครับที่มนุษย์ต่างดาวมักจะติดต่อกับผู้รักษาศีลมีคนเคยพูดให้ฟังครับไม่รู้เหมือนกันไม่มีมนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเป็นพวกกายทิพย์แบบมีจริง พวกกายที่จะถือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็พวกเทวดาพวกเปรตพวกผีที่มีแต่คนที่จะติดต่อพวกนี้ได้บนพวกมีศีลพวกที่ต้องนั่งสมาธิได้พวกที่จะนั่งสมาธิได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักบวชพวกที่มีศีลไม่ยังไม่มีแม่ชีแม่เก๊แม่ชีแก้วลูกศิษย์ลุงตาเนี่ยท่านนั่งสมาธิแล้วจะมีพวกดวงวิญญาณมามามาหาอยู่เรื่อยๆบางทีหมูป่าตายก็มาหาท่านควายตายไปก็มาหาท่านมาเล่า ถึงความทุกขทรมานต่างๆแม้แต่คืนที่หลวงปู่มั่นตายดวงวิญญาณของหลวงปู่มั่นก็มาเยี่ยมมาบอกแม่ชีว่าไปแล้วนะอย่าไปหาเรานะไปก็เจอแต่ซากศพเท่านั้นเองแต่ตัวเราไม่อยู่แล้วพอพอดีแม่ชีเขากะจะไปเยี่ยมไงหลวงปู่คืนมันตายท่านก็เลยมาบอกเวลาแม่ชีนั่งสมาธิแม่ชีนี่ก็จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ ถ้าเราจะเรียกว่ากายที่เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ก็คงจะเป็นพวกที่จะติดต่อได้ก็ต้องเป็นพวกที่นั่งสมาธิได้พวกที่นั่งสมาธิได้ก็ต้องมีศีลเพราะไม่มีศีลนี่จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิจะมัวแต่ไปนั่งดูหนังฟังเลปคำถามจากคุณพัฒน์ันท์กราบนามัสการพระอาจารย์ผมอยากบวชเรียนให้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ แต่ติดตรงสังขารผมมีน้ำหนักมากถึง1น0รกลัวสังขารจะมาเป็นภาระและอุปสรรคให้ตนและผู้อื่นควรลดน้ำหนักจัดการกับสังขารก่อนค่อยคิดบวชใช่ไหมครับก็ได้อย่างนี้ก็ดีให้ร่างกายมันกลับมาเป็นปกติคนจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดให้มันอยู่ในขนาดนั้นก่อนถ้าเราลดได้ไปบวชก็จะยาก่ายเพราะว่าเพราะเวลาบวชเราก็ต้องอดข้าวเย็นอยู่แล้ว ถ้าเราอดข้าวเป็นก่อนเวลาไปบวชมันก็จะง่ายไม่ต้องทรามานคำถามจากคุณท็อปจากอัปปนาสมาธิจะยกระดับไปสู่อากาศสานัญจายตนะได้อย่างไรครับอันนี้เราไม่ได้เรียนถึงขั้นนั้นนะต้อง <laughs> ต้องไปศึกษากับพวกที่เขาเขา้าอารูปประชานได้เขาก็ต้องเอาไอา้นั่นมาเป็นอารมณ์ แทนที่จะใช้อลมหายใจก็เอาเออตัวนั้นอนะ่ะตัวที่ว่าอากาศนี่มันเป็นอารมณ์แทนเพ่งจิตให้อยู่กับอากาศนั้นทําจิตให้มันว่างเป็นเหมือนอากาศมันก็จะเข้าสู่ฌานขั้ง น, นั้นได้คําถามจากคุณจันเพนดิฉันเป็นทุกข์กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสามีลูกเงินทองปัญหาที่เกิดขึ้นจะทําอย่างไรคะก็ทิ้งมันเลยทุกเก็บไว้ทําไมแล้ว ของมันทำให้เราทุกข์เราเก็บไว้ทําไมไม่มีไม่มีใครบังคับว่าเราให้เก็บเขาไว้ไม่ใช่เหรอหนี่ไหมก็ทิ้งเขาไปสิไปอยู่คนเดียวอจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเขาคําถามจากคุณจันแจ่มคนที่จะไปนิพพานจําเป็นต้องเป็นเฉพาะพระสงฆ์หรือไม่เจ้าคะคนถือศีลห้าทั่วไปไปนิพพานได้ไหมเจ้าคะไปได้ทุกคนเนี่ยแต่จะไปได้มันต้องมันจะต้องตัดกิเลสได้ฮะ การจะตัดกิเลสได้มันส่วนใหญ่ต้องเป็นนักบวชถึงจะไปตัดได้ถ้าเป็นนักถ้าถือสินห้าก็แสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ยังยังยังมีกิเลสเพราะยังถือสินแปดไม่ได้ยังอยากเที่ยวอยากกินอยากลืมอันนี้ก็เป็นกิเลสยังงั้นก็จะไปไม่ได้ศินห้าไปไม่ถึงนิพพานจะไปถึงนิพพานได้ต้องตัดกิเลสได้ตัดความโลภความอยากต่างๆได้คําถามจากคุณธัญรัตน อาตาคืออะไรบ้างคะคําำอาตาแปลว่าตัวตนไงเนี่ยเราเรียกร่างกายนี้ว่าตัวเราของเราเลยความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของพ่อแม่เนี่ยใช่ไม้มร่างกายของเรามาจากใครมาจากพ่อแม่ใช่ไหมแล้วาทํำไมเรียกว่าเป็นตัวเราของเราอะ่ะมันของพ่อแม่เราเดี๋ยวมันก็ตายเวลาตายมันก็กลับไปสู่เจ้าของเดิม ยาของเดิมที่แท้จริงก็คือดินน้ํำลมไฟที่เราเอาเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรากินข้าวเนี่ยข้าวมันมาจากไหนข้าวมันก็มาจากดินนะมันก็มาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์มันก็กินผักกินข้าวมันก็มาจากดินน้ําก็เราก็ดื่มเข้าไปลมเราก็หายใจเข้าไปไฟก็เราได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนมันก็เลยมาทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเป็นผมขนเล็บฟันเป็นหนังเนื้อเอ็นกันดู แล้วเดี๋ยวเวลามันตายไปมันก็หายไปหมดใช่ไหมทิ้งไว้สักพักมันก็ละลายเหมือนไอติมอะร่างกายเราเนี้ยถ้าทิ้งไปนานๆมันก็ละลายหายไปหมดเหลือแต่ดินเหลือแต่เศษกระดูกเหลือแต่ของที่มันเป็นดินนั้นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เราไปเรียกมันว่าตัวเราของเราเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกทุกคนก็บอกว่าเป็นตัวเราของเรากันทั้งนั้นแล้วเราก็เลยตกใจกลัวเวลามันแก่มันเจ็บมันตาย ทั้งที่เราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับมันเราคือใจผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราไม่รู้เราก็เลยไปทุกข์กับร่างกายที่มาสอนเพื่อเรารู้เราจะได้ไม่ทุกข์ต่อไปเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นเขาแก่เจ็บตายเราทุกข์ไมไม่เฉยใช่ไหมได้ยินว่าคนนั้นตายตายก็ตายเป็นเรื่องของเขาเร <c oughs> าก็ต้องมองเห็นร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่น ถ้าเราสามารถเห็นว่ามันเป็นร่างกายของคนอื่นเหมือนของคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็เรื่องของมันก็เท่านั้นเองอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นภาษาบาลีคำถามจากคุณปราณีบางครั้งลูกคิดไปว่าร่างกายจะตายคิดไปว่าลูกตายสามีตายคิดคิดไปใจหดหู่ลูกก็ดึงใจกลับมา กราบหลวงพ่อแนะนำทำยังไงดีถึงจะข้ามไปได้คบก็ตายทุกวันเน่ยเวลานอนหลับนี่ก็ตายแล้วใช่ไหมเวลานอนหลับเราใช้ร่างกาย่ะเนี่ยเป็นแต่ตายชั่วคราวท่านเอง mm hmm. เดี๋ยวพอตอนเช้าก็ตื่นก็กเหมือนก็เกิดใหม่ hmm. เวลาตายจริงก็เหมือนกันเวลาตายจริงก็ไม่ได้ใช้ร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้ก็เอาไปเผาแล้วเดี๋ยวพ อ, พอตื่นขึ้นมาก็เกิดใหม่แล้ว ได้พอคอลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ก็เกิดใหม่ก็ตื่นข bon> ึ um ้นมาใหม่ก็เหมือนกับไปนอนหลับเวลาตายก็เหมือนกับนอนหลับแล้วพอตื่นเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่เพียงทําให้เปลี่ยนร่างกายเวลานอนหลับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างกายเวลาตื่นขึ้นมายังได้ร่างกายอันเก่าอยู่แต่ช่วงที่ช่วงนี้นอนหลับก็เหมือนช่วงที่ตายเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายใช้ร่างกายไม่ได้ตอนนั้นร่างกายนอนพักผ่อนก็เหมือน เหมือนเหมือนตายไปชั่วคราวก็เหมือนกันถ้าตายจริงก็ร่างกายนี้ก็ไม่ฟื้นแต่เราก็แต่เราไม่ตายเราก็นอนหลับเหมือนเาเวลาราหลับเราก็ฝันไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ฝันถ้าฝันร้ายก็ไป่อไปอยู่ในอาบายถ้าฝันดีก็ไปอยู่ในสวรรค์แล้วพอได้ร่างกายใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็ตื่น งั้นเราก็การตายก็การตายการเกิดก็เหมือนกับการไปนอนหลับนี่เองนอนหลับสองวิธีนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายกับไม่เปลี่ยนร่างกายทุกคืนนี้เรานอนหลับบบไม่เปลี่ยนร่างกายแต่ต้องมีคืนหนึ่งที่เราจะนอนหลับแล้วเปลี่ยนร่างกายเพราะร่างกายนี้มันไม่มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปเอ้เดี๋ยวพอเราได้ร่างกายใหม่คลอดมาจากท้องแม่เราก็เต่นขึ้นมาอเด็กที่มาออกจากท้องแม่มันเพิ่งเหมือนกับเพิ่งตื่นใช่ไห ออกมามันก็ลองเหมือนเด็กตื่นขึ้นมาก็ท่านี้เองความเป็นความตายอยู่แค่ตรงนี้เองไม่มีอะไรเพราะคนที่คือใจเราไม่ได้ตายใจเราก็เป็นฝันไปท่านั้นเองเวลาที่ร่างกายไม่ทำงานมันจะนอนหลับแรือมันตายก็เหมือนกันตอนนั้นใจก็ฝันไปอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกทิพย์ถ้าทำบาปก็ฝันร้ายถ้าทำดีก็ฝันดีนั่นเองทาบุญก็ฝันดี เราพอถึงเวลาได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอร่างกายคลอดมาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาแค่นี้เนี่ยมีแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรน่าขูวไม่มีอะไรน่าหดหัวเดี๋ยวเราพูดเราร่างกายของพวกเราทุกคนก็หายไปหมดเมื่อก่อนแล้วก็ค่อยมีอีกร่างรู้ป่ะเมื่อก่อนมันเราไม่ได้มีร่างกายนี้แล้วก็มีอีกร่างกายหนึ่งเราก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่ง พอร่างกายนั้นตายไปแล้วก็เสียแล้วก็จากพี่น้องกลุ่มนั้นไปเพื่อนกลุ่มนั้นไปเล้มาเกิดในร่างกายนี้เราก็ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ใช่ไหมได้พี่น้องกลุ่มใหม่มันไม่เห็นน่าจะกลัวตรงไหนตายไปเดี๋ยวกลับมาเกิดล้วก็ได้ของเดิมเหมือนกันได้ได้อีกกลุ่มหนึ่งได้ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแล้วพอจะต่ากันก็เสียใจ เ, เสียใจไปทาไมเดี๋ยวก็ได้กลุ่มใหม่ นี่คือการเกิดการตายเหมือนกับการนอนหลับนอนหลับเพียงแต่ว่าการการตายมันมันหลับยาวหน่อยเท่านั้นเองโอกาสจะตื่นมันต้องรอให้มีร่างกายใหม่มันถึงจะตื่นได้คำถามจากคุณภรดากราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามว่าตัวรู้กับมโนธาตุและวิญญาณธาตุคือตัวเดียวกันหรือเปล่าครับตัวเดียวกันเน่เพียงแต่มีสถานภาพต่างกันเหมือนผู้หญิงเนี่ย ตอนเด็กก็เรียกว่าเด็กหญิงใช่ออโตขึ้นมาก็เป็นนางสาวอ่ อ, อไปมีสามีก็เรียกว่าเป็นนางอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเวลาออกจากร่างกายก็เรียกว่าดวงวิญญาณมันมีเปลี่ยนชื่อไปแต่ตัวเดียวกันอยู่เรียกว่าธาตุรู้มโนธาตุธาตุมโนก็คือใจ ตัวเดียวกันเน่ยเพียงแต่เราเรียกมันชื่อต่างๆกันไปนค่นั้นเองคำถามจากคุณนพลเหตุใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยว่าพระสงฆ์ห้ามฆ่าตัวตายครับเพราะมันบาปเหมือนกับฆ่าคนอื่นเนี่ยบาปก็ฆ่าคนอื่นนี้เพราะฆ่าของที่เรารักนี่ยร่างกายเรานี่รักถ้าเราฆ่าจะแดงว่าเราเราหลงมากเราทุกข์มาก ถึงสา ม, มารถฆ่าของที่เรารักได้ค่าคนอื่นเรายังไม่ลักคนอื่นใช่ไหมแต่เราฆ่าพ่อเขาเราโ ก, กรธเกลียดเขามันก็บาเปเหมือนกันเป็นการฆ่าพาอเป็นเป็นการกระทำที่เกิดจากความหลงฆ่าแล้วมันก็จะทำให้ติดนิสัยไปเดี๋ยวไปเกิดชาติหน้าพอมีปัญหาก็ฆ่าตัวตายอกีกหมดแล้วเลยเดี๋ยวก็พักหน่อยเหลืออีกหกนาทีห้าหกนาที ดีนีหลานาก็เด็กรุ่นใหม่นะคะอยากอธิบายให้เฟังถึงอานิสงส์ของศีลสามข้อหลัง น, นะครับ ข, ขอเมตตาให้อุบายด้วยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนคนอือ่นข้อข้อที่ห้าเนี่ยเป็นขออ้อ ok. ที่ควรจะสําคัญเพราะว่าการเหลื่อมชราจะทําให้เราไม่มีสติควบคุมความประพฤติของเราพอเมาแล้วมันจะหน้าด้าน ok. มันจะกล้าทําบา เวลามันไม่เมามันยังมีความอายความความกลัวบาปอยู่อย่างน้อยก็กลัวก็รู้ว่ามันทำไม่ดีแต่พอทำพอเมาแล้วที่มันไม่มันไม่สนใจแล้ะมันก็จะพูดจาเละลานจะพูดจาหยาบคายคิดอะไรก็พูดไปตามความคิดอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความคิดนั้นทันทีเพราะไม่มีสติยับยังถ้าเมา เมาแล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าเมาเป็นหมาใช่ไหมเมาแล้วเหมือนหมาไหมทําอะไรเนี่ยคนไม่อยากจะอยู่ใกล้นะเพราะว่าไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอยจะไปว่าไม่เบียดเบียนใครถ้าจะไม่เบียดเบียนใครก็ต้องกาโซ่มาล่างก่อนดื่มสิแล้วก็ <Yeah. S 1> พอเมาก็นอนเลย <Yeah. S 1> มันก็เบียดเบียนตัวเองอะ่ะตัวเองแทนที่จะไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์ก็ทําไม่ได้เมามากๆ ก, ก็ติดเป็นนิสัยด้วย กินทุกวันทุกคืนเดี๋ยวก็ตกงาน่ถึงเวลาไปทํางานก็ตื่นไม่ได้ไปทํางานไม่ได้แต่เวลาไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่ได้เโทษของการดื่มโซดามันจะทําให้เราไม่มีสติเราดื่มแล้วมันจะติดแล้วจะทําให้เราเสียงานเสียการเสียอะไรไปหมดเพราะเราจะไม่สามารถไปทํางานทําการไปเรียนหนังสือได้แล้วข้อที่โกหกมันก็ไม่ดียังข้อที่ถามดือเป่าข้อนี้เปล่า ข้อกหกก็คือทำให้เราเสียเครดิตต่อไปเราไม่มีใครเชื่อคำพูดของเราไปพูดอะไรไม่มีใครเชื่อมันเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกเวลาไฟเกิดไฟไหม้บ้านบอกไฟไหม้บ้านก็ไม่มีใครจะเชื่อเราไม่มีใครจะมาช่วยเราเวลาเราเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเขาก็จะไม่เชื่อเราเพราะเขากลัวเราจะถูกหลอกลวงหลอกว่าจะเอาเงินไปทานู่นทานี่แล้วถึงเวลาเอาเงินไปใช้อย่างอื่นงนี้พอเขารู้ต่อไปเขาก็จะไม่เชื่อเครดิตเรา พระพุทธเจ้าสอนลูกของพระพุทธเจ้าพระลาหุ่นตอนที่บวชเป็นเนรว่าพระพุทธเจ้ า, ว, าว่าสัจจะนี่เป็นคุณสมบัติสําคัญของของตัวเราเป็นความดีที่มีในตัวเราเราพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วบอกลาหุ่ว่าทุกครั้งที่เธอโกหกนี่เหมือนกับเธอเทน้ําในขันนี้ออกไปทุกครั้งที่โกหกก็เทน้ําไปทีละนิดโกหกไปเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีน้ําเหลืออยู่ในขัน น้ำนี้ก็คือความดีความน่าเชื่อถือของเราเครดิตของเราคนเรานี้จะเชื่อถือกันก็เพราะว่าเราพูดจริง<อ>ใช่ไหมพูดอะไรแล้วก็แลาเป็นความจริงเขาก็จะเชื่อเรารเช่น้ามาเอานาฬิกามาท่อมแล้วพวกนี้เราบอกพวกนี้ได้เแล้วพอพวกนี้เข้ามาเข้าได้เขาก็จะเชื่อเราแต่ถ้าเราบอกพวกนี้ได้แล้วพอมาไม่ได้ไปอ้างนูน่นอ้างนี่เขาบอกกไม่มาแล้วะเนี่ยเข้าใจไหม อันนี้คกอสัจจ ะ, ะการไม่โกหกเพื่อรักษาสัจจะความดีเครดิตของเราอยู่ที่สัจจะนี่แล้วข้อที่สามการประพฤติผิดประเวณีประเวณีก็คือประเพณีที่ดีงามมนุษย์เรานี่ต้องมีการเสพกรรมกันแต่เราจะเสพ ไ, ไม่เสพแบบสุนัข ก, ก็ใช่ไหมถ้าแบบแบบสุนัขนี่เขาไม่ต้องไปสู่ขอจากพ่อแม่ ไม่ต้องไปทำพิธีประกาศให้คนเขารู้ว่านี่เป็นคู่ครองของเราส่วนนักเขาอยากได้เมื่อไหร่เจอใครที่ไหนเขาก็เอากันที่นั่นแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าการเสพการนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวการอยู่ร่วมกันมีลูกมีเต้าต่อไปมันเสพการแล้วมันต้องมีลูกมีเต้ามันจะต้องมีการรับผิดชอบอะไรต่างๆไม่ใช่เสพเพื่อความสนุกขนาดนั้นฉั้นก็เลยต้องเสพ ถ้าไม่มีประทำประเพณีเดี๋ยวเดี๋ยวเสพกันพอตั้งท้องก็ทิ้งแนละ้วเสียไหมสมัยนี้ใช่ไหมพอพอตั้งท้องก็ทิ้งแล้วใครไปพิดภารละนะคนผู้หญิงก็ต้องไปเลี้ยงลูกดีไม่ดีก็ต้องไปทําบาปเอาลูปออกนะไป ท, ทําแท้งนั้นการจะทําศีลข้อนี้ต้องระวังถ้าอยากจะเสพกามอยากก็ต้องไปทําสู่ขอถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องหักห้ามใจถือศีลข้อนี้ไว้ก่อนอย่าไปทำํำจนกว่าจะมี ความสามารถที่จะมีครอบครัวได้แล้วค่อยไปเสพกลางกันก็เมื่อก่อนยังไม่ได้เสพก็อยู่ได้นะตอนที่เป็นเด็กเหมือนเดือดร้อนเลยพอต่อก้นมาหน่อยทำไมจะต้องเสกวะ <c oughs> ก็รอไปไม่กี่ปีไม่กี่เดือนไว้รอให้ตัวเอง ม, มีมีฐานะที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วค่อยไปเสพสิใช่ไหก็ฐาน น, นั้นเองอาจารยคอย่างข้อสุดท้ายทีย่บอกว่า กินบ่อก็กินนิดเดียวเองไม่เมาหรอกแค่กินนิดเดียวได้ก็ดีไม่ว่านะมันไม่ไม่นิดเดียวอย่างเนี้ยก็ข า, ขายเป็นขวดได้ยังไงก็ข า, ขายเป็นแก้วไหนขายเป็นใครอยากกินไม้ก็เท น, นิดหนึ่งมันไม่มนิดหนึงมันเทมันเทมัเติเ ม, เมแก้วอแล้วมาตั้งทั้งขวดเนี้ยพอหมดแก้วมันนี้ยังเหลืออยู่ก็ต้องเทต่อใไหใช้เวลากินเทมันก็กินทีละนิดไม่ไม่มีใครกินทีเดียวทั้งขวดหรอก แต่พอมันกิดแล้วมันติดมันมันใช่ยหมติดแล้วกินต่อกินต่อต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมดเลยไม่ได้สั่งคนใหม่มาอีกอย่างนี้ของพวกนี้มันพอทําแล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มขยายตัวเหมือนไฟไฟตอนต้นไม่ขีดมันจุดมันก็แค่จุดเดียวใช่ไหมลองไปจุดไฟในป่าดูสิเนี่ยจุดตอนเริ่มต้นมันก็จุดแค่มันก็ติดตัวจุดเดียวนะแล้วเดี๋ยวมันก็ลามปลมขยายออกไปเผาเผาป่าไปทั้งป่าเลย ง่ายกายก็ทำบาปแม้แต่นิดเดียวก็อย่าไปทำเพราะเดี๋ยวมันจะขยายตัวพใจรเปล่าเอานั้นแหละเนี่ยเหนื่อยแล้วหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำบาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน